อันนี้ทางบ้านถ้าติดตามทางเฟ e บุ๊ k ตอนนี้ก็อาจจะต้องรอปั๊บหนึ่งมีเหตุขาดข้องทางเทคนิคนานๆก็เป็นทีหนึ่งใครเข้า YouTube ได้ก็เข้า YouTube YouTube ใช้ได้อยู่ข้างบนเขานี่เราไม่มีไฟฟ้าอุปกรณ์ต่างๆเราต้องเอาไปชาร์จที่อื่น แล้วเวลาชาร์จนี่ก็ไม่มีไครเฝ้านี่บางทีไฟดับไฟดับแบตเกชาร์จไม่เต็มชาร์จได้ไม่เต็ ม, ม, ตมที่ก็เลยต้องลองใช้เครื่องของคนอื่นเครื่องของคนอื่นเขาก็ต้องดาวน์โหลดแอปเข้ามาใส่วันนี้ไม่มีไฟฟ้าก็เลยใช้ ทุกอย่างที่ใช้นี่ต้องเอาไปใช้แบตเตอรี่ชาร์จกันชาร์จข้ามคืนไปฝากเขาไว้ที่บ้านเจ้าหน้าที่ป่าไม้สํา น, นักงานป่าไม้ไปเสียบไว้แล้วก็ทิ้งไว้ไม่มีใครเฝ้าไม่มีใครดูแลตอนพอจะมาใช้ก็ไปหยิบกันมาที่วันนี้พอไปเปิดกล้องดูไฟแบตเข้าไม่ไม่เต็ม กลัวว่าจะถ่ายทอดไม่ตลอดนุ้งก็เลยขอยืมเครื่องของคนอื่นเะฉะนั้นถ้าใครตแต่ตอนนี้ยูทูบเข้าได้อยู่เข้าได้ค่ะวิดีโอฟังได้ค่ะวิดีโอฟังได้แล้วทางเคเบิลเขาเข้าต่อจากไหนไม่รู้เขาต่อจากต่อจากยูทูบอะอันนี้ เคเบิลมาถึงแถวนาจอมเทียนนั่นรับเมื่อก่อนนี้อยู่แถวบางละมุงไอแถวนาเกลือแต่เดี๋ยวนี้เห็นญาติยมที่อยู่แถวนาจอมเทียนเขาบอกว่าตอนนี้เขาก็ดูทางเคเบิลได้ช่องหนึ่งของบางละมุงเคเบิลใช่ไหมเขาใช้ชื่อจอมเทียนเคเบิลนะครอ๋อจอมเทียนเคเบิลแต่เป็นสาขาย่อยของของของบางละมุงเคเบิลที่วิ มันมีอะไรไม่แน่นอนวันก่อนอุปกรณ์พร้อมแต่ดินฟ้าอากาศไม่พร้อมฝนตกหนักเสียงดังก็พูดไม่ได้พูดไม่ได้ก็นั่งสมาธิกันไปเรามีสัมลองคือนั่งสมาธิถ้าไม่รู้จะทำอะไรก็นั่งสมาธิไปดีที่สุดวิธีแก้ปัญหาชีวิตนี้ก็ใช้สมาธินี่แหละดีที่สุด เวลามีปัญหาไม่รู้จะทำไงก็นั่งสมาธิไปลืมเรื่องราวต่างๆไปพอจิตสงบแล้วปัญหาต่างๆก็ไม่เป็นปัญหาปัญหามันเกิดจาก ใ, ใจเราไปอยากไปแก้มันเท่านั้นเองพอเราไม่ไปแก้มันไม่สนใจมึงจะเป็นจะตายก็ลุงของมึงปัญหาเราก็จบปัญหาเราอยู่ในใจเราเนี่ใจเราวุ่นวายเพราะเราอยากจะไปแก้ปัญหาข้างนอก อยากให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอไม่เป็นใจเราก็เลยวุ่นวายแก้ไม่ได้ก็เครียดอย่างวิธีถ้าเครียดก็นั่งสมาธิเถอ้าแก้ไม่ได้ทําอะไรไม่ได้นั่งสมาธิวิธีแก้ปัญหาถึงแก่นเลยก็คือการทําใจให้สงบเมื่อใจสงบแล้วปัญหาต่างๆไม่เป็นปัญหา มันเป็นธรรมดาของโลกก็ได้จไหมปัญหาของโลกนี่มันเป็นธรรมดาที่ถ้าอยู่ในโลกนี้ถ้าไม่มีปัญหานี้เรียกว่าแปลกเข้ามันเป็นเรื่องธรรมดามันต้องมีปัญหาอยู่เรื่อยๆปัญหาของเราคือเราโง่พยายามที่ไปแก้ปัญหาปัญหาของเราคือควรเราไม่ควรไปแก้มันถ้าเราแก้ไม่ได้ถ้าแก้ได้ก็แก้ไปแต่ถ้าแก้ไม่ได้ก็ปล่อยมันไป เดี๋ยวมันก็จบของมันไปเองของทุกอย่างในโลกนี้มันเหมือนกับเหมือนกับรอยเท้าที่เราเดินตามชายทะเลเนี่ยตามชายหาดเนี่ยเดี๋ยวน้ำขึ้นมามันก็ซัดไปหมดหายไปหมดรอยเทงรอยเท้าอะไรต่างๆบัลเวลาเวลานี่มันจะพัดทุกสิ่งทุกอย่างมันจะกลืนทุกสิ่งทุกอย่างไปหมดเหตุการณ์ต่างๆในโลกนี้ ไม่ว่าจะเป็นคนจะเป็นข้าวของอะไรต่างๆเดี๋ยววันเวลาผ่านไปมันก็หายไปหมดกลายเป็นซากประลากหักพังไปหมดเห็นมอ า, อาณาจักรใหญ่ๆที่เราศึกษาในประวัติศาสตร์เนี่ยหายไปไหนกันหมดละอาณาจักรโรมันอาณาจักรกรีกอาณาจักรจีนใหญ่โตขนาดไหน พอเวลาผ่านไปก็กลายเป็นซากปรักหักพังขขไปหมดกรุงสุโขทัยกรุงศรีอยุธยาพยายามดูแลรักษากันสร้างกันขึ้นมาต่อสู้ป้องกันพม่า ก, ก็เข้ามามาทำลายทำลายก็สร้างใหม่สร้างใหม่ก็ถูกทำลาย ทุกอย่างในโลกนี้มันเป็นอย่างนี้มันจะต้องหมดไปทุกอย่างมันไม่เที่ยงแท้แน่นอนเป็นเหมือนกับเจดีกองทรายที่เราไปก่ออยู่แถวชายทะเลเนี่พอน้ำขึ้นมามันก็ซัดไปหมดรอยเท้าที่เราเดินตามชายหาดตัวหนังสือที่เราเขียนในทรายนีย่เดี๋ยวน้าก็ขึ้นมา ขึ้นมามันก็ซัดไปหมดชีวิตของพวกเราเนี่ยพยายามต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆปัญหาต่างๆแทบเป็นแทบตายเดี๋ยวไม่กี่ปีก็ตายกันไปหมดกลายเป็นขี้เท่าขี้ฐานไปหมดดังนั้นเราต้องดูความจริงกันแล้วเราจะได้รู้ว่าอะไรเป็นปัญหากันแน่ ตัวปัญหาก็คือเราเนี่แหละใจของเราเนี่ยที่วุ่นวายไปกับการเปลี่ยนแปลงวุ่นวายไปกับการเกิดการดับของสิ่งต่างๆที่มันเป็นธรรมดาของเขาเป็นธรรมชาติเป็นธรรมดาที่ทุกสิ่งทุกอย่างมีเกิดแล้วต้องมีการดับไปมีการเปลี่ยนแปลงมีการเจริญมีการเสื่อมมีการขึ้นมีการลง แต่พวกเราไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงไม่ชอบความเสื่อมชอบแต่ความเจริญชอบแต่ความเที่ยงแท้แน่นอนจึงพยายามที่จะรักษาให้มันเที่ยงแท้แน่นอนพยายามที่จะทำให้มันไม่เสื่อมพยายามจะทําให้มันเจริญอย่างเดียวเราก็เลยต้องมาเครียดกับมัน มาวุ่นวายไปกับมันแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะไปเอามาเป็นสมบัติของเราได้อย่างถาวรทุกอย่างนี้เป็นสมบัติชั่วคราวนั้นเดี๋ยวพอร่างกายนี้หมดลมก็สมบัติต่างๆที่มีอยู่ก็หมดไปกลายเป็นของคนอื่นให้เขาไปเครียดต่อเราเครียดมาจนถึงลมหายใจสุดท้าย พอหมดลมหายใจก็เครียดไม่ได้ไม่มีอะไรจะให้เครียดถ้ามองดีๆบางทีความตายนี่มันดีกว่าการอยู่อยู่แล้วทุกข์กันอยู่แล้วเครียดกัน<ม>พอตายแล้วก็ไม่ต้องมาทุกข์มาเครียดกับสิ่งต่างๆอมันไม่จบตรงนั้นท่านั้นเองพอตายไปมันก็ไปหาของใหม่มาเครียดใหม่อ<ม>ไปเกิดใหม่อีก ไปได้ร่างกายอันใหม่ไปเครียดกับร่างกายอันใหม่ไปได้สมบัติได้คู่ครองได้ครอบครัวได้ลูกได้หลานแล้วก็ไปเครียดกันใหม่อีกเครียดกันกี่รอบก็ไม่เข็ดไม่จำกันตายไปกี่รอบก็กลับมาเกิดใหม่เพราะไม่เคยมีเวลามานั่งคิดกัน มัวแต่มาคอยแก้ปัญหาที่แก้ไม่ได้กันเลยไม่รู้ว่าปัญหาจริงอยู่ที่ตรงไหนปัญหาจริงก็อยู่ที่ใจเราเนี่นะคือความเครียดนี่แหละเป็นตัวปัญหาของเราแต่เรากลับไม่รู้กันเรากลับไปเห็นว่าการรักษาสิ่งต่างๆให้มันไม่เสื่อม การทำให้สิ่งต่างๆเจริญการรักษาสิ่งต่างๆให้ให้มั่นคงถาวรอันนี้แหละเป็นตัวที่ทำให้เราเครียดกันเพราะเราไม่มองความจริงกันไม่เห็นความจริงกันว่าทำยังไงก็ไม่สามารถที่จะทำให้มันเจริญอย่างเดียวได้ทำอย่างไรก็ไม่สามารถที่จะทำให้มันเที่ยงแท้แน่นอนได้ทาอย่างไรก็ห้ามไม่ให้มันเสื่อม ไม่ได้ตรงนี้ไม่ยอมมองกันมองแต่ว่าจะทำให้มันเจริญอย่างเดียวจะทำให้มันเที่ยงแท้แน่นอนจะทำให้มันไม่เสื่อมแล้วก็มาเครียดกับมันเพราะมันทำไม่ได้ทำได้ก็เดียวเดียวหลอกเราพอทำได้ปุ๊บนึงอ้าวเดี๋ยวก็เปลี่ยนไปอีกแล้วเดี๋ยวก็เสื่อมอีกแล้วเดี๋ยวก็เสีย อ, อีกแล้ว ใช่ได้ยังเฟซบุ๊กฮะแอดมินเข้าเฟซบุ๊กได้ยังหูไม่ได้ยินนะ่ยใช้ได้แล้วแน่นแน่นอนนะแนอนนท่านที่ติดตามเฟซบุ๊กตอนนี้ก็เข้าได้แล้วเครื่องนี้แบตแบตเต็มไหมหรือก็ สิแปดสิบกอร์เซ็นต์หกสิบโอเคเลยเครื่องที่ชาร์จไม่เต็มนี่แหละอันนี้รู้กเป็นเครื่องน้องเป็นเครื่องพี่อ้อค่ะอันนี้เครื่องของทางเราชาร์จไม่เต็มค่ะทางเราเท่าไหร่หกสิบกว่าพวกสิบกว่าสิบกว่าของพี่อ้องนั้นใช่ไห้อแปดสิบอ่าแปดสิบอ่าก็หมดเท่าที่มันจะหมดนะอ่อันนี้ก็อย่าไปเครียดกับมันจะให้มันเป็นไปตามเวลาที่เราต้องการก็จะเครียด ถ้าปล่อยมันเป็นไปตามธรรมชาติเหมือนเหมือนผ้าทิศมันจะตกก็ปล่อยมันตกไปเราไม่ไปพยายามดึงผ้าทิศให้มันอยู่นานกว่า24ชั่วโมง12ชั่วโมงถ้าเราไปแต่งผ้าทิศได้คงจะดึงให้มันยาวขึ้นไปนะฝลั่งก็มีวิธีหลอกตัวเขาเองเขาเลื่อนเวลาขึ้นไปชั่วโมงหนึ่ง ให้ตื่นเร็วขึ้นจะได้มีเวลากลางวันเยอะขึ้ น, นไม่ใช่เลยเดย์ไลฟ์เซเวนท์คมแต่ว่ า, า, าถ้าเป็นตีห้าก็เรื่องราคาเป็นตีสี่ตื่นตีสี่เช้ามืดหน่อยแต่ตอนเย็นนี่พระอาทิตย์กว่าจะตกสองทุ่มหนึ่งมีเวลากลางวันเยอะขึ้นหลอกตัวเอง เวลามันก็เท่าเดิมแบสิบสองชั่วโมงแต่ไปเพิ่มเวลาตื่นให้มันเช้าขึ้นสักชั่วโมงกลางวันมันก็ได้เหมือนกับมีสิบสามชั่วโมงไปมนุษย์เราชอบทำอะไรอย่างนี้ชอบเปลี่ยนแปลงชอบปรับปรุงแก้ไขให้มันตรงกับความอยากของตัวเอง ความต้องการของตัวเองแล้วพอปรับไม่ได้ก็เครียดขึ้นมาเป็นปัญหาขึ้นมาฉหนั้นเรามาปรับใจดีกว่าพระพุทธเจ้าบอกมาแก้ความเครียดดีกว่าความเครียดเนี่ยเป็นตัวปัญหาถ้าใจเราไม่เครียดแล้วอะไรจะเป็นยังไงก็ไม่เป็นปัญหา กางวันจะมีสิบชั่วโมงหรือสิบสามชั่วโมงก็ไม่เป็นปัญหาเลยใครจะทำอะไรก็ไม่เป็นปัญหาใครจะเป็นใครจะตายก็ไม่เป็นปัญหาใครจะดีใครจะชั่วก็ไม่เป็นปัญหาใครจะเจริญจะเสื่อมก็ไม่เป็นปัญหาลาบยศสรรเสริญสุขจะเจริญก็ไม่เป็นปัญหาจะเสื่อมก็ไม่เป็นปัญหาถ้าใจมีความสงบแล้วใจมีความสุข ใจมีความพอคือไม่ต้องมีอะไรก็ไม่เดือดร้อนแต่ถ้าใจไม่สงบแล้วมันไม่มีความพอในตัวเองไม่มีความสุขในตัวเองมันเลยก็ต้องไปหาความสุขนอกตัวมันไปหาความสุขนอกใจก็เป็นความสุขชั่วคราวแต่ก็อยากให้มันเป็นความสุขที่ยาวนานที่ถาวร พอมันไม่ยาวนานมันไม่ถาวรพอมันเสื่อมพอมันหมดไปก็เสียใจทุกใจ เ, เวลาหาก็เครียดกันเพราะมันไม่ได้หาง่ายๆบางเวลาก็หาได้บางเวลาก็หาไม่ได้เช่นลาบยศสารเสริญสุขนี่หากันเครียดกันเพราะมันไม่ใช่เป็นของที่หาได้ตลอดเวลาเงินทอง บางทีก็หาได้บางทีก็หาได้น้อยบางทีก็หาได้มากแต่ทุกคนอยากจะหาได้มากพอหาไม่ได้มากหาได้น้อยก็เครียดนะเพราะเพราะใช้มากกว่าหาได้เมื่อใช้มากก็เป็นหนี้ใช้มากกว่าหาได้ก็เป็นหนี้ก็ต้องเครียดกับการที่จะหาเงินมาใช้หนี้เ็าอีกปัญหา ถ้าใจไม่สงบแล้วมันจะต้องออกไปหาความสุขนอกใจแล้วมันจะต้องเจอปัญหาต่างๆร้อยแปดเพราะความสุขนอกใจมันเป็นความสุขที่ไม่อิ่มไม่พอได้เท่าไหร่มันก็ไม่รู้สึกอิ่มไม่รู้สึกพอมันจึงทำให้อยากได้เพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆได้ได้ได้แสนหนึ่งก็อยากจะได้ล้านหนึ่ง ได้ล้านก็อยากจะได้สิบล้านได้สิบล้านก็อยากจะได้ร้อยล้านได้มาเท่าไหร่ก็ไม่พอซื้อของมามากน้อยเพียงไรก็ไม่พอความสุขข้างนอกมันเป็นอย่างนั้นมันเป็นความสุขที่ไม่อิ่มไม่พอเป็นความสุขที่จะทําให้กับมีความหิวมีความอยากเพิ่มมากขึ้นไปจึงทำให้เครียดกัน เครียดกับการหาความสุขข้างนอกได้มาเท่าไหร่ก็ไม่พอต้องได้มากกว่านั้นแล้วพอเสียไปก็เสียใจเครียดทั้งได้เครียดทั้งเสียได้มาก็ดีใจเดี๋ยวเดียวแล้วทักพักก็อยากจะได้เพิ่มมากขึ้นไปอีก แต่ถ้าเรามาทำใจให้เราสงบถ้าเรานั่งสมาธิเป็นนี่เราไม่ต้องไปเครียดกับการหาสิ่งต่างๆมาให้ความสุขกับเราเพราะเรามีความสุขในตัวเราที่ดีกว่าความสุขที่เราจะได้จากราบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆเนี่ยเราควรมาฝึกนั่งสมาธิกันดีกว่าถ้านั่งสมาธิเป็นนี่เราจะสบาย เราจะไม่เครียดกับอะไรเพราะเราอยู่ตามลำพังของเราได้เราอยู่กับความสงบได้เรามีความสุขจากความสงบที่ดีกว่าความสุขที่เราจะได้จากสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้<ม>นี่แหละของวิเศษที่ไม่มีใครรู้มีอยู่ในตัวเราทุกคนทุกคนพวกเราเนี่ยสามารถมีความสุข ที่มากกว่าความสุขของพระราชามหากษัตริย์ความสุขมากกว่าของประธานาธิบดีความสุขที่มากกว่าของมหาเศรษฐีแต่เราไม่รู้ว่ามีอยู่ในตัวเรากันเรากลับไปหาความสุขอแบบเล็กๆน้อยๆหาเท่าไหร่ก็ไม่พออถ้าเราไม่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนา ไม่ได้มาพบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ mm hmm. องค์ใดองค์หนึ่ง mm hmm. ตอนนี้พระพุทธเจ้าไม่อยู่แล้วเราก็ต้องพบกับพระธรรมคำสอน mm hmm. หรือพบกับพระอริยสงสาวกเพราะท่านเป็นผู้รู้ว่าความสุขที่แท้จริงความสุขที่ดีกว่าความสุขทั้งปวงนี้อยู่ในตัวของเราเอง mm hmm. อยู่ในใจของพวกเราเอง ไม่ได้อยู่ที่ร่างกายร่างกายไม่ใช่ตัวเราต้องขอทำความเข้าใจร่างกายนี้เป็นเพียงคนรับใช้เราเท่านั้นเราคือใจเราคือผู้รู้ผู้คิดผู้สั่งให้ร่างกายไปหาความสุขต่างๆภายนอกใจที่กลายเป็นความทุกข์กลายเป็นความเครียดกันขึ้นมาพอหาเท่าไหร่ก็ไม่พอหามาแล้วก็ต้องหมดไป ได้มาแล้วเดี๋ยวก็สูญเสียไปพอเสียไปก็เครียดก็ทุกข์ก็เสียใจเวลาหาก็เครียดเวลาหาไม่ได้ก็เสียใจเราไปหาแต่ความเครียดทั้งนั้นถ้าเราไปหาความสุขภายนอกเราคือใจผู้รู้ผู้คิดผู้ไปหลงคิดว่าจะต้อง หาความสุขจากลาบยศสารเสรญต้องหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผดทพะต่างๆเดินที่ไม่รู้ว่าเป็นการไปหาความเครียดเข้ามาเพราะเวลาไปหามันก็เครียดแล้วเวลาทำงานหาเงินหาทองนี่เครียดนหะททำงานก็เครียดเดินทางก่อนจะไปทำงานก่กอนจะไปทางานก็เครียดแล้วติดรถติดบนท้องถนน ที่ทำงานก็เครียดกับงานมีแต่ความเครียดความสุขที่ได้แป๊บเดียวเครียดสามสิบวันสุขตอนที่เงินเดือนออกวันสองวันเดี๋ยวก็ใช้หมดแล้วแล้วก็เครียดไปหาใหม่หาได้เท่าไหร่เดี๋ยวก็ใช้หมดนีด่คือความหลงความโง่ความไม่รู้ ไม่รู้ว่าความสุขที่ดีกว่าความสุขทั้งหลายที่เรากำลังหากันอยู่นี้อยู่ในตัวเราอยู่ในใจของเรานี่ทาไมไม่หามันเข้ามาทำไมไม่เข้ามาหาในใจเราทำไมไม่ทาให้มันทำใจให้สงบท่านั้นเองหยุดความคิดให้ได้ท่านั้นเองหยุดความคิดได้ใจสงบใจก็มีความสุขขึ้นมาอันนี้ถ้าไม่มีใครบอกจะไม่มีใครรู้ เป็นเหมือนเส้นผมเล็กๆบางตาเนี่ยเส้นผมบางภูเขาเส้นผมเส้นเดียวนี้สามารถบางภูงเขาได้เพราะมันมาปิดที่ตาเราพอตาเราถูกเส้นผมปิดก็มองไม่เห็นภูเขาอันใหญ่โตลวความสุขอันยิ่งใหญ่อยู่ในใจเราเราก็มองไม่เห็นกันเพราะเรามัวแต่มองไปหาความสุขข้างนอกกัน เพราะทุกคนก็สอนให้เรามองไปหาความสุขข้างนอกกันเกิดมาพ่อแม่ปู่ย่าตายายพี่น้องเพื่อนฝูงก็ชวนให้เราไปหาความสุขข้างนอกกันใจเราเองก็อยากจะไปหาความสุขข้างนอกกันไม่มีใครคิดหันกลับเข้ามาหาความสุขข้างในกันเลยแม้แต่คนเดียวนานๆจะมีคนฉลาดอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยที่สามารถ มีความเห็นว่าความสุขข้างนอกนี้มันไม่ได้เป็นความสุขมันเป็นความทุกข์เพราะว่ามันมันจะต้องมีวันเสรอมมีวันหมดเวลาที่ร่างกายแก่ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาที่ร่างกายตายไปนี่จะไม่สามารถหาความสุขได้พระพุทธเจ้าก็เลย เห็นความแก่เห็นความเจ็บเห็นความตายเห็นนักบวชก็เลยทำให้ตื่นจากความมึนเมาอยู่กับการหาความสุขทางร่างกาย เ, ออเห็นว่าความสุขทางร่างกายนี้ต่อไปมันจะต้องจบออจะต้องหมดออแล้วก็เห็นนักบวชที่เขากำลังหาความสุขข้างในใจกันออก็เลย อยากจะไปลองหาความสุขแบบนั้นบ้างเพียงแต่ว่านักบวชสมัยนั้นยังหาความสุขภายในใจที่ถาวรไม่เจอหาได้แต่ความสุขชั่วคราวชั่วขณะที่เข้าไปในสมาธิเวลาใจสงบใจเป็นสมาธิก็มีความสุขได้แต่พอออกจากสมาธิมาใจเริ่มคิดเริ่มก็เกิดความอยากขึ้นมา ก็เกิดความเครียดเกิดความทุกข์ขึ้นมาอันนี้ไม่มีใครแก้ได้ไม่มีใครรู้ว่าจะทำยังไงให้ใจสงบใจมีความสุขเหมือนขณะที่อยู่ในสมาธิมีพระพุทธเจ้านี่แหละเป็นผู้ที่ส่งค้นพบว่าวิธีที่จะทำให้ใจสงบนั้นในขณะที่ไม่ต้องเข้าสมาธิก็คือต้องฝืนความอยาก เวลาเกิดความอยากนี่อย่าไปทำตามความอยากถ้าทำแล้วมันจะทำให้ใจไม่สงบเวลาเกิดความอยากนี่เวลาเราอยากได้อะไรนี่เราก็จะต้องอดิ้นรนไปหาไปทำสิ่งที่เราอยากได้ความสงบก็จะหายไปขณะที่หาก็ไม่สงบขณะที่ได้มาก็ไม่สงบ ได้มาก็ดีใจมีความสุขแล้วก็หวงแล้วก็รักแล้วก็ห่วงพอหวงก็ไม่สงบเองพอห่วงก็ไม่สงบเองแล้วลเดี๋ยวเวลาสิ่งที่ได้มาเสื่อมไปหรือหมดไปก็ทุกข์เกไม่สงบเองแต่ถ้าเราไม่ไปทําตามความอยากได้อยู่เฉยๆพอมันอยากจะได้อะไรก็ไม่ไปหยุดความอยากด้วยการ ไปนั่งสมาธิแทนทุกครั้งอยากจะได้อะไรก็ไปนั่งสมาธิแทนทำใจให้สงบอย่าไปทำตามความอยากต่อไปความอยากมันก็จะหมดไปพอความอยากหมดไปก็ไม่ต้องเท่าสมาธิก็ได้อยู่ข้างนอกสมาธิก็สงบเพราะไม่มีตัวอะไรมาก่อกวนใจให้วุ่นวายนั่นเองตัวที่ก่อกวนให้ใจเราวุ่นวายให้เราเครียดกันตลอดเวลา ก็คือความอยากของพวกเรานี่แหละพออยากได้อะไรแล้วมันอยู่เป็นสุขไหมเห็นกระเป๋าเห็นรองเท้าเห็นเสื้อผ้าสวยๆงามๆอยู่แขวนอยู่ในร้านนี่พออยากขึ้นมาแล้วใจมือไม้สัน่นเดินหนีมันก็หนีไม่พ้นเดี๋ยว<ด>มันก็ดูดเรากลับเข้าไปหามันจนได้จะหายสัน่ตนต่อเมื่อซื้อมันมาแล้วพอได้ซื้อมาแล้วนี้จะ มือไม้ก็หายสันใจก็หายสันแต่หายชั่วคราวเพราะความอยากได้มันไม่หมดเดี๋ยวก็อยากได้อย่างอื่นต่อเพอได้อนี้แล้วเดี๋ยวก็ผ่านไปร้านขายมือถือร้านขายอะไรของแปลกๆที่เราไม่มีเห็นแล้วเดี๋ยวก็อยากได้ขึ้นมาอีกได้อะไรมาเท่าไหร่ก็ไม่พอความอยากมันก็จะไม่หมดนี่แหละ แต่ถ้าทุกครั้งที่อยากได้อะไรแล้วบังคับใจเราฝืนใจเราอย่าซือ้อย่าไปเอามันถ้ามันเครียดก็ไปนั่งสมาธิทาใจให้สงบพอใจสงบแล้วความเครียดก็หายไปความอยากที่จะซื้อก็หายไปถ้าอยากอีกก็ไปนั่งอีกทุกทุกครั้งที่เกิดความอยากแล้วเราไม่ไปทำตามความอยากความอยากมันจะลด ลงไปเรื่อยๆกำลังมันจะลดลงไปเรื่อยๆเดี๋ยวฝืนมันไม่กี่ทีมันก็หายอยากอไม่เชื่อลองดูก็อยากซื้ออะไรซื้ออยู่เรื่อยๆเห็นอะไรก็อยากซื้อลองอยากไปซื้อมันดูสักพักร้อยของเก่าก็มีแล้วเสื้อผ้าตอนนี้ก็ล้นตู้เต็มตู้แล้วรองเท้าก็มีต้องหลายคู่กระเป๋าก็มีต้องหลายใบอะไรก็มีเยอะแยะไปหมดแล้ว อยากก็อยากไปซื้อมันเื้นมันไปต่อไปความอยากซื้อมันจะหมดไปแล้วเราจะได้ไม่ต้องเครียดกับการไปหาเงินทองมาซื้อของต่างๆไม่ต้องมาเครียดกับการาไปหาซื้อของบางทีมีเงินก็ยังเครียดว่ามีเงินแต่ไม่รู้จะซื้ออะไรดีบางทีต้องไปชอปปิ้งเดินกันให้เหนื่อยให้เมื่อยเห็นในนี่ก็ไ่เอาเห็นหนั่นก็ไปเอา แต่ยังอยากซื้ออยู่ทั้งๆ ท, ที่ไม่รู้ว่าจะซื้ออะไรแต่มีเงินอยากจะซื้อมันถ้าไม่ได้ใช้เงินแล้วรู้สึกว่ามันเครียดขึ้นมาไม่ได้ซื้อของมันก็เครียดขึ้นมาอีกอ น, นี่คือถ้าใจไม่มีความสงบนี่ความอยากมันจะคอยกระตุน้นคอยฉุดคอยกใจให้ไปหาสิ่งต่างๆมาให้ความสุข หาได้เท่าไหร่ก็ไม่พอพอหามาได้แล้วเดี๋ยวก็เบื่อของที่มีพอได้มาแล้วเดี๋ยวก็เบื่ออยากได้ของที่ไม่มีพอมีแล้วก็เบื่อมันอีกนี่คือลักษณะของใจที่ไม่มีความสงบมันจะไม่มีความสุขต่อต่อสิ่งต่างๆที่มันได้ ม, มันมีความสุขเพียงเดี๋ยวเดียว ได้มาแล้วสุขเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวก็เบื่อแล้วเห็นไหมเด็กเนี่ยเวลามันลองขออะไรเนี่ยขอขอของเล่นพอหยิบให้มันเดี๋ยวมันเล่นสักพักหนึ่งก็โยนทิ้งแลมันไม่เอาแล้วเดี๋ยวไปขอของใหม่แล้วเพราะฉะนั้นเราหยุดหากันดีกว่าหยุดหาความสุขข้างนอกใจเราหยุดหาลาบยศสรรเสริญหยุดหารูปเสียงกลิ่นรสต่างๆ แล้วมาหาความสงบกันดีกว่าความสงบนี้ง่ายกว่าหาอะไรต่างๆไม่ต้องไปสมัครงานไม่ต้องไปทำงานทำงานก็ต้องมีเสื้อผ้ามีชุดทำงานอีกบางทีก็ต้องมีรถไปทำงานอีกวุ่นวายไปหมดนั่งสมาธินไม่ต้องมีอะไรเลยขอให้มีที่เงียบๆมีเวลาว่างเท่านั้นเอง ถ้าเราไม่ทำงานเราไม่หาเงินเราก็มีเวลาแล้วมีเวลามานั่งสมาธิได้ทั้งวันแทนที่จะไปทำงานทั้งวันตั้งแต่เช้าถึงเย็นเราก็มานั่งสมาธิเดินจงกรมกันดีกว่า mm hmm. ทาแค่สองอย่างนี้ละพอละเชื่อไหมเราจะได้ความสุขที่เงินทองกองเท่าภูเขาก็ไม่สามารถที่จะซื้อได้ mm hmm. ถ้าเดินจงกรมได้นั่งสมาธิได้สลับกัน ทำไมต้องเดินจงกรมเพราะถ้ายัางไม่มีสตินี้นั่งไม่ได้นั่งแล้วมันอึดอัดมันทรมานนั่งได้ไม่กี่นาทีก็ทนไม่ได้แสดงว่าไม่มีสติควบคุมใจไม่ได้ควบคุมความอยากไม่ได้ควบคุมความคิดไม่ได้เห็นถ้ายัางนั่งไม่ได้ก็เดินก่อนเดินจงกรมเดินไปเดินมาคําว่าจงกรมก็ให้เดินไปเดินมา เดินระยะทางก็ไม่ก็ประมาณสักยี่สิบเก้าเป็นอย่างตำ่ำสำหรับบางคนชอบทางยาวๆก็สี่สิบเก้าระหว่างยี่สิบกับสี่สิบเก้าเนี่ยระยะทางแล้วแต่สถานที่จะอำนวยถ้ายี่สิบเก้าไม่ได้ก็ถ้าอยู่ในบ้านที่แคบๆอาจจะต้องสิบห้าเก้าหรือสิบเก้าถ้าสิบเก้านี้มันจะเดินแล้วเวียนหัว เดินกลับไปกลับมามันจะเวียนหัวก็จะต้องเดินแบบไม่ต้องไม่ต้องกลับไปกลับมาเดินเดินหน้าถอยหลังเดินเดินไปข้างหน้าสิบเก้าแล้วก็เดินถอยหลังสิบเก้าอย่างนี้ก็จะไม่เวียนหัวแต่แต่จะเดินเร็วก็ไม่ได้เพราะมันมันมันจะมันสั้นก็ต้องเดินช้าๆเดินเท้าเก้าสองหนึ่งสองสามสี่ห้าสิบสิบพอเดินไปสิบ ชนกำแพงก็ถอยหลังเดินถอยหลังสิบชนกำแพงอีกนะอันนี้พูดในในในในกรณีที่ไม่รู้จะไปหาที่เดินที่ไหนต้องเดินในห้องนอนนี้เดินในบ้านนี้มันที่มันก็อาจจะไม่ยาวพ อ, อแต่เวลาเดินนี้มันจะทําให้เรามีสติแต่ไม่ใช่เดินแบบธรรมดาที่เราเดินกันะเดินแล้วเราต้องควบคุมใจให้อยู่กับ พุโทโธพุโทโธไปด้วยอย่าให้ใจไปคิดถึงคนนั้นคนนี้คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้หรือจะให้ใจอยู่กับก้าวเท้าก็หนึ่งสองสามสี่นับเท้าไปเรื่อยๆก็ได้พอไปเดินสุดทางแล้วก็กลับหันกลับมาแล้วก็นับเริ่มต้นใหม่หนึ่งสองสามสี่หรือจะเอาซ้ายขวาซ้ายขวาไปก็ได้ นางสำนักก็สอนให้แบบก้าวเนาวางหนาะก้าวเนอยกหนอวางหนายกหนอะก้าวเนอวางหนาเวลายกเท้าขึ้นก็เรียกว่ายกเวลาก้าวเท้าก็เรียกว่าก้าวเวลาวางเท้าก็วางคือให้ใจมีอะไรทําให้มีงานทําจะได้ไม่ไปคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรส จะได้ไม่คิดถึงความสุขต่างๆที่เราเคยคิดถึงกันธรรมดาใจเรานี่จะคิดแต่หาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายพอตื่นขึ้นมาก็คิดแล้วมีอะไรกินหรือเปล่ปามีอะไรดื่มหรือเปล่ปามีอะไรดูหรือเปล่ปามีอะไรฟังหรือเปล่ปามันจะหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้งกายตลอดเวลาถ้าเราปล่อยมันคิดเห็นเราอยากให้มันคิดเพราะถ้ามันคิดแล้ว มันจะเกิดความอยากแล้วมันจะทำให้เราเครียดเพราะว่าเวลาอยากแล้วเราถ้าไม่ได้ทำตามที่เราอยากนี่เราจะรู้สึกเครียดขึ้นมารู้สึกอุ่นหงิดลำคาญใจรู้สึกเศร้าส้อยหงอยเหงาวา้าเวขึ้นมาถ้าเราไม่ได้ไปทำสิ่งที่เราอยากทำแต่ถ้าเราควบคุมความคิดไม่ให้มันคิดได้ความอยากก็จะไม่เกิดความอยากไม่เกิดความเครียดความหงุดหงิด ความนำคาญใจความอะไรต่างๆมันก็จะไม่เกิดก็จะทำให้เราอยู่เฉยๆได้เดินจงกรมได้นั่งสมาธิได้ต้องควบคุมความคิดตลอดเวลาอย่าปล่อยให้คิดเลยถ้าเผลอคิดแป๊บเดียวอยากขึ้นมาแล้วอยากไปเที่ยวแล้วอยากไปหาเพื่อนแล้วอยากไปดูอยากจะไปฟังไอ้นู่นไอ้นี่แล้วอยากจะไปกินไปดื่มอยากจะไปเล่น เล่นเกมถ้าเป็นเด็กก็อยากจะเล่นเกมถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็อยากจะเปิดดูลายแล้วเอเ๊ะใครติดต่อมาหรือเปล่าใครส่งอะไรมาหรือเปล่าเนี่เป็นความอยากทั้งนั้นอยากทางตาหูจะมูมนกนิ้วกายถ้าเราจะควบคุมใจให้สงบนี่เราต้องอย่าปล่อยให้มันคิดต้องให้มันมีอะไรทําเช่นถ้าเดินก็ให้มันนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกไปอ่าพอถึงสุดทางก็หันกลับ แล้วก็นับหนึ่งสองสาไปใหม่หรือถ้าไม่อยากจะนับหนึ่งสองสามก็ใช้ดูเท้าก็ได้ซ้ายขวาซ้ายขวาไปก็ได้หรือถ้าจะให้มันละเอียดกว่านั้นยากกว่านั้นก็ยกหนอะก้าวเนอวางหนอยกหนอเก้าวนอวางเนาะยกก้าววางยกก้าววางไปหรือถ้าจะใช้พุทธโธพุทธโธคำเดียวก็ได้ มีหลายวิธีที่เราจะสามารถเอามาใช้ในขณะที่เราเดินจงกรมเดินต้องเดินต้องควบคุมใจอย่าปล่อยให้มันคิดถ้าเราควบคุมได้ต่อไปความคิดมันจะคิดไม่ได้คิดไม่ออกเวลามันจะคิดเราก็จะหยุดมันได้เรามีสติถ้าเรามีสติแล้วพอรู้ว่ามันจะคิดพอมันจะคิดปับ๊บมันก็หยุดคิดทันทีหรือถ้ามันคิดไปได้สองสามคำ พอเรารู้ทันมันปั๊บมันก็หยุดคิดได้ถ้ามีสติถ้ารู้แล้วยังไม่หยุดก็ต้องใช้พุทโธพุทโธหยุดมันหรือถ้าเราเดินก้าวเท้าก็ต้องกลับมาที่ก้าวเท้าหนึ่งสองสามไปซ้ายขวาซ้ายขวาไป น, นี้คือการเดินจงกรมเดินเพื่อสร้างสติขึ้นมาเดินนานๆเดินมากๆเดินจนมันเมื่อยเดินจนไม่อยากจะเดินแล้วลองมานั่งดู ถ้าเรามีสติแล้วทีนี้เราจะเวลานั่งจะไม่อึดอัดจะไม่รู้สึกตึงตรงนั้นแข็งตรงนี้เมื่อเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้เวลานั่งก็มีหลายวิธีจะพุโทโธต่อไปก็ได้บริกรรมคำว่าพุโทโธพุโทโธไปหรือถ้าจะไม่บริกรรมจะดูลมหายใจเข้าออกก็ได้ดูที่จุดเดียวดูที่ปลายจมูกจุดที่ลมเข้าลมออก จะมีความรู้สึกตรงนั้นเวลาลมเข้ามันจะแตะที่ปลายจมูกเวลาลมออกมันก็จะแตะที่ปลายจมูกไม่ต้องตามลมเข้าไม่ต้องตามลมออกเพราะเราต้องการให้มันอยู่จุดเดียวมันถึงจะนิ่งถ้ามันเข้าออกมันจะไม่นิ่งถ้าเราจ่ออยู่ที่ปลายจมูกแล้ว ร, รู้เฉยๆไม่ต้องไปบังคับลมไม่ต้องไปควบคุมลม ปล่อยให้ลมมันเป็นไปตามธรรมชาติของมันตอนต้นลมมันจะหยาบแลวมันจะสั้นแต่พอเรานั่งต่อไปนานๆเข้ามันจะยาวขึ้นมันจะละเอียดขึ้นเพราะว่าร่างกายได้พักผ่อนร่างกายไม่ได้ทำงานแล้วใจก็จะเริ่มสงบขึ้นจไม่ต้องไปควบคุมบังคับลมใช้ลมเป็นที่ทำงานของใจเนทะ่านั้นเองให้ใจมีอะไรทำงานให้ใจมีงานทำ คือการเฝ้าดูลมถ้าไม่เฝ้าดูลมถ้าเผลอไม่มีสติเดี๋ยวมันก็ไปคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสคิดถึงคนนั้นคนนี้คิดถึงสิ่งนั้นสิ่งนี้ขึ้นมาต้องคอยควบคุมใจตลอดเวลาถ้าอยากจะทำให้ใจนิ่งให้ใจสงบ เ, เวลานั่งสมาธิอย่านั่งเฉยๆอย่านั่งแล้วปล่อยให้ใจมันแสดงอ ะ, อะไรต่างๆมาให้เราเห็น เพราะว่ามันจะทำให้เราเป็นบ้าได้ถ้าเราไม่ฉลาดเดี๋ยวเราจะหลงกับสิ่งที่ใจมันผลิตขึ้นมาหลอกเราว่าเป็นเทวดามัาง่งเป็นพรหมมัง่งเป็นอะไรบ้างเป็นพระอริยเจ้าบางอันน่้ระวังอย่าอย่านั่งเฉยเฉยอย่านั่งแล้วปล่อยให้ใจมัน เ, เล่นกลให้เราดาูมันเป็นการเล่นกลของใจทท้งนั้น สิ่งต่างๆที่ปรากฏขึ้นในขณะที่เรานั่งสมาธิถ้าเราไม่มีการควบคุมใจถ้ามีการควบคุมใจมันจะไม่เกิดหรือเกิดมันก็ไม่มันไม่บานปลายมันเกิดแต่เราไม่ไปสนใจเราไม่ไปตามรู้เรามารู้อยู่ที่ลมมารู้อยู่ที่พุทโธมันก็เดี๋ยวมันก็จะหายไปเพราะการรู้อยู่ที่ลมอยู่ที่พุทโธนี้จะทำให้ใจสงบให้ใจนิ่งนั่นเอง แล้วพอถึงจุดที่มันนิ่งเต็มที่ทุกอย่างก็หายไปหมดใจก็จะว่างเย็นสบายมีความสุขมากใจจะเป็นอุเบกขาไม่รู้สึกเดือดร้อนกับอะไรทั้งนั้นเหตุการณ์ต่างๆปัญหาต่างๆที่ที่เคยสัมผัสรับรู้มานี่มันจะไม่เป็นปัญหากับใจในตอนนั้นใจปล่อยวางได้ ร่างกายจะเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ก็ไม่เดือดร้อนอยู่กับมันได้นี่ถ้ายังลงไม่เต็มที่ลงแบบยังรับรู้เรื่องของทางร่างกายได้อยู่แล้วยังได้ยินเสียงอยู่เสียงก็รู้สึกมันเหมือนอยู่ห่างไกลเหมือนเราอยู่ในถ้ำเสียงอยู่ข้างนอกถ้าเสียงมันก็ไม่มารบกวนใจถ้าเราลงไปเต็มที่ลงเข้าไปสุด บางทีร่างกายก็จะหายไปเลยความรับรู้ทางร่างกายก็จะหายไปเหลือแต่ผู้รู้ใจศักแต่ว่ารู้อยู่ตามลําพังอันนี้ก็เป็นสมาธิพอถึงจุดนั้นแล้วถามว่าจะให้ทําไงก็รักษามันให้เป็นอย่างนั้นนานๆเราต้องการสร้างอุเบกขาถ้ามันนิ่งในนานอุเบกขาก็จะมีกําลังมากขึ้นไป อุเบกขาหนี้ก็เปรียบเหมือนกับน้ำที่เราไปแช่ในตู้เย็นถ้าเราแช่ตู้เย็นได้นานน้ำมันก็จะเย็นได้มากถ้าเราแช่ได้ไม่นานมันก็จะเย็นไม่มากแล้วถ้าเราเอาน้ำหลอกจากตู้เย็นเดี๋ยวมันก็จะต้องหายความเย็นก็จะหายไปใจก็เหมือนกันเวลาเข้าสมาธินี่เหมือนเอาใจเข้าตู้เย็น ไปทาใจให้เย็นให้เป็นอุเบกขาเย็นมากๆอุเบกขามากๆเวลาออกมามันจะได้อยู่ได้นานอุเบกขานี่จะทำให้เราสบายเห็นอะไรก็ไม่เดือดร้อนได้ยินอะไรก็ไม่เดือดร้อนความอยากความอะไรก็ไม่มีเห็นแล้วก็เฉยๆได้ยินแล้วก็เฉยๆแต่มันจะค่อ ย, อยๆจางไปมันจะไม่นานเดี๋ยวมันก็หมดได้ พอมันเริ่มร้อนขึ้นมาเห็นอะไรมันไม่เฉยแล้วได้ยินอะไรมันไม่เฉยแล้วพอมันเป็นอย่างนั้นก็ต้องเอากลับเข้าไปแช่ใหม่เข้าสมาธิใหม่นี่แหละคือการปฏิบัติยังต้องเข้าๆออกๆอยู่เพราะว่าเรายังไม่มีปัญญาเวลาใจเราร้อนขึ้นมาเราต้องกลับเข้าไปในสมาธิก่อนยกเว้นว่าถ้าเราสามารถดับความร้อนใจ ได้ด้วยปัญญาเราก็ไม่ต้องเข้าไปถ้าเรารู้จักใช้ปัญญาเช่นเวลาเครียดกับคนนั้นคนนี้ <c oughs> นอนขึ้นมารู้ว่าเรากําลังไปยึดไปติดเขารู้ว่าเราไปทำอะไรเขาไม่ได้ไปจัดการเขาไม่ได้ก็ <c oughs> ปล่อยเขาไปสิปล่อยเขาเป็นไปเขาอยากจะตายก็ปล่อยเขาตายไปเขาอยากจะเอาศีรษะเดินก็ปล่อยเขาเอาศีรษะเดินไปเขาอยากจะกินเหล้าก็าปล่อยเขากินไป เขาอยากจะแกล้งเราก็ปล่อยเขาแกล้งไปเขาอยากจะร้ายกับเราก็ปล่อยเขาร้ายไปเราหลบได้ก็หลบหลบไม่ได้ก็ทําใจเฉยๆไปถ้าอย่างนี้ก็บางทีก็ไม่ต้องเข้าสมาธิก็ได้ถ้าดับความร้อนได้ทำใจให้กลับมาเป็นอุเบกขาได้ไม่เดือดร้อนกับการกระทาของผู้อื่นได้อันนี้ก็ไม่ต้องกลับเข้าไปในสมาธิ แต่ถ้าพอเขาพูดอะไรแล้วโอ้ใจสัน่นใจเครียดใจโกรธขึ้นมาอันนั้นถึงเวลาต้องกลับเข้าไปสมาธิแล้วแสดงว่าใจร้อนแล้วอย่าไปแก้เขาแก้ไปยิ่งร้อนใหญ่ยิ่งพยายามไปโต้เถียงกับเขาพยายามไปอธิบายให้เขาฟังยิ่งเขาไม่เชื่อเขาอะไรเรายิ่งยิ่งไปกันใหญ่อย่าไปแก้ที่เขาเขาไม่เชื่อก็ช่างเขาเรื่องของเขาเ เราลูกตัวเราว่าเราผิดเราถูกอย่างไรเขาจะว่าเราผิดเราไม่ผิดก็ไม่ต้องไปอธิบายให้เขาฟังให้เสียเวลาเขาเขาไม่ยอมมองว่าเราถูกสัอย่างอธิบายไงมันก็เขาก็ไม่เชื่ออยู่ดีเขาไม่ต้องไปสนใจมันเราทําใจให้สงบดีกว่าถ้าเราปล่อยวางเขาได้ใจเราก็จะเย็นถ้าใจปล่อยไม่ได้จะร้อนถ้ารู้ว่าร้อนแล้วทาอะไรไม่ได้ก็ไปนั่งสมาธิดีกว่า ไปทำใจให้สงบเพราะว่าอุเบกขาของเรามันหมดเราไม่สามารถใช้ปัญญารักษาอุเบกขาไว้ได้ก็เลยต้องกลับไปนั่งสมาธิต่อนี่คือการรักษาใจให้มีความสุขต้องรักษาด้วยสติก่อนคือพุทโธพุทโธหรือการนับเท้าก็ได้ หรือการก้าวหนอย่างหนอวางหนอก็ได้หรื อ, อซ้ายขวาซ้ายขวาก็ได้ให้ใจอย่าไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆแล้วใจจะได้ว่างจะได้เย็นจะได้สบายแล้วจะมีกําลังที่จะมานั่งสมาธิได้ถ้าใจว่างแล้วทีนี้นั่งสมาธิก็จะไม่อึดอัดจะไม่รู้สึก เบื่อหรืออะไรอย่างนั้นเอเบื่อหน่ายมทัทเตยพอจะนั่งรู้สึกความเบื่อหน่ายขึ้นมาเลยความอึดอัดขึ้นมาเลยอแต่ถ้าเรามีสติมันจะไม่เป็นอย่างนั้นถ้าใจเราสามารถควบคุมความคิดต่างๆได้ควบคุมความอยากได้มันจะนั่งได้อย่างสบายนั่งแล้วก็สงบได้ง่ายสงบได้เร็ว พอสงบแล้วก็ใช้สติประคองไว้อย่าปล่อยให้มันออกมาอย่าดึงมันอย่าปล่อยให้มันคิดบางคนคิดว่าพอจิตสงบปั๊บต้องพิจารณาทางปัญญาไม่ใช่นั่นคนละคำว่าสงบแล้วหมายถึงสงบแล้วจนกว่าถอนออกจากสมาธิแล้วนั้นถึงจะมาคิดทางปัญญาได้แต่ตอนที่สงบยังไม่คิดอย่าไปให้มันคิดอย่าไปสั่งให้มันคิดมันจะคิดก็อย่าให้มันคิด ถ้ามีสติหยุดมันได้ก็หยุดมันต่อไปเช่นถ้ามันจะคิดถ้าเราใช้พุทโธหยุดมันได้ก็พุทโธต่อไปหรือให้มันดูลมต่อไปได้ก็ดูลมต่อไปอย่าพึ่งออกมาพยายามให้มันอยู่ในนั้นนานๆเหมือนกับเอาน้ำไปแช่ในตู้เย็นนี่ให้มันแช่นานๆให้มันเย็นจนแข็งเลยให้มันเป็นน้าแข็งก่อนแล้วเวลาออกมาจากตู้เย็นแล้วมันจะเย็นได้นานกว่า ถ้ามันแช่ได้เดียวเดียวเดียเด๋ยวออกมาจากตู้เย็นเดี๋ยวห้านาทีมันก็หายไปแล้วลนี่คือหน้าที่ของสมาธิคือให้ความสุขให้ความเย็นแก่ใจให้อุเบกขาแก่ใจแล้วเวลาออกมามาเจอเรื่องราวต่างๆใจจะไม่วุ่นวายไปกับเรื่องราวต่างๆเพราะยังควบคุมความอยากได้อยู่ถ้ามีอุเบกขามันจะคุมความอยากได้แต่ถ้ามัน อุเบกขาหมดความอยากมันก็จะโผล่ขึ้นมาแล้วมันจะทำให้ใจเราเกิดอาการกังวลกาวายกระสับกระส่ายเกิดอาการต่างๆที่ไม่ดีทั้งหลายที่อยู่ในใจเราเนี้เกิดจากความอยากทั้งนั้นความเบื่อหน่ายความซึมเศร้าความเศร้าความหงอยเหงาความว้าเหวความเครียดความกลัวความกังวลอะไรต่างๆเหล่านี้มันมาจากความอยากทั้งนั้น ถ้าเรามีอาการเหล่านี้แสดงว่าเราไม่มีโอเบคาแล้วเราก็มีสองวิธีถ้ามีปัญญาก็ใช้ปัญญาหยุดมันถ้าไม่มีปัญญาก็ต้องกลับเข้าไปในสมาธิปัญญาคืออะไรก็คือการเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันไม่แน่นอนนั่นเองมันปีการเปลี่ยนแปลงมีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลามีขึ้นมีลงมีเกิดมีดับ ที่เราเครียดกันกลัวกันก็กลัวมันดับกันกลัวมันเปลี่ยนกลัวมันหมดกันกลัวยังไงถึงเวลามันจะเปลี่ยนมันก็เปลี่ยนถึงเวลามันจะดับมันก็ดับเราไม่มองความจริงกันเราต้องมองว่าอมันจะดับก็ให้มันดับห้ามมันไม่ได้อานาตากาห้ามมันไม่ได้ของทุกอย่างมันเหมือนดินฟ้าอากาศฝนฟ้าอากาศเราห้ามมันไม่ได้ฝนมันจะตกแดดจะออกห้ามมันไม่ได้ ของมันจะเจริญของมันจะเสื่อมเราห้ามมันไม่ได้ลาบยศสรรเสริญสุขมันจะเจริญมันจะเสื่อมเราห้ามมันไม่ได้ร่างกายของเรามันจะแก่มันจะเจ็บมันจะตายเราห้ามมันไม่ได้ถ้าเราไปอยากไปห้ามมันแล้วเราจะเครียดเราจะทุกข์ขึ้นมานี่คือตายลักให้เราเห็นตายลักในทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเราจะยอมรับกับความจริงมันจะเจริญก็เจริญไป มันจะเสื่อมก็เสื่อมไปมันจะเกิดก็เกิดไปมันจะดับก็ดับไปเท่า น, นั้นเราก็จะไม่เครียดเราก็จะไม่หวาดกลัวเราก็จะไม่กังวลแต่ถ้าเรายังไม่มีปัญญายังเครียดอยู่ยังกังวลอยู่ยังหวาดกลัวอยู่ก็กลับไปทำใจให้สงบดีกว่าใช้สติแก้ปัญหาไปก่อนพุทโธพุทโธไปก่อนดูลมหายใจเข้าออกไปก่อนอย่าปล่อยให้ใจคิด แล้วพอใจสงบความเครียดต่างๆก็หายไปสิ่งที่มันเจริญเสื่อมมันก็เจริญเสื่อมมันมาตามเรื่องของมันแต่มันไม่มารบกวนใจเพราะใจเราไม่ไปยุ่งกับมันเข้าใจหมที่เราใจเราวุ่นวายก็เพราะเราไปยุ่งกับเขาเองเราไปอยากให้เขาไม่เสื่อมเวลาเขาจะเสื่อมไปอยากให้เขาไม่เสื่อมเราก็วุ่นวายเวลามันจะแก่ร่างกายมันจะแก่ไปอยากให้มันไม่แก่มันก็วุ่นวาย เวลามันเจ็บอยากให้มันไม่เจ็บมันก็วุ่นวายเวลามันจะตายอยากให้มันไม่ตายก็วุ่นวายแต่ถ้าเรารู้ว่าห้ามมันไม่ได้ร่างกายห้ามมันไม่แก่ไม่ได้ห้ามไม่ให้เจ็บไม่ได้ห้ามไม่ให้ตายไม่ได้เมื่อห้ามไม่ได้แล้วไปห้ามทำไมไปอยากทำไมไปอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายทำไมก็ปล่อยมันแก่ปล่อยมันเจ็บปล่อยมันตายไปสิก็เท่านั้นเองเวธีปล่อยก็เข้าไปในสมาธิ ทำใจให้สงบถ้าถ้าปล่อยด้วยปัญญาไม่ได้ก็ต้องปล่อยด้วยสติก่อนใช้สติดึงเข้าไปถ้าสอนใจนะ ว, ว่าร่างกายมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแต่ก็ยังไม่ยอมรับความจริงยังไม่ยอมแก่ยังไม่ยอมเจ็บยังไม่ยอมตายก็ต้องใช้สติให้มันยอมใช้พุทโธพุทโธให้มันสงบให้มันหยุดคิดหยุดอยากอันนี้คือเรื่องของการที่เราจะมา แก้ปัญหาที่แท้จริงเราต้องมาแก้ที่ร่างกายที่ใจของเราอย่าไปแก้ที่ร่างกายอย่าไปแก้ที่ทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองอย่าไปแก้ที่ลาบยศจลรเสิญอย่าไปแก้ที่รูปเสียงกลิ่นรสผดพภอย่าไปแก้ที่คนนั้นคนนี้แก้ไม่ได้แก้เท่าไหร่เหมือนเดี๋ยวมันก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมอีกเคียดเหมือนเดิมถ้าไม่แก้แล้วกลับสบายกว่า ถ้าปล่อยได้แล้วสบายมันจะเป็นยังไงก็ปล่อยให้มันเป็นไปตามเรื่องของมันเพราะเราแก้ไม่ได้สิ่งที่เราแก้ได้ก็คือความเครียดที่เกิดจากความอยากไปแก้สิ่งต่างๆนั่นเองพอเราหยุดพอเราเห็นความจริงแล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้แก้ไม่ได้เพราะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนัตตาสเพธรรมาน ต, ตาเป็นธรรมชาติเราแก้ธรม ร, ธรมชาติได้เปล่าเราสั่งธรรมชาติได้เปล่าว่าวันนี้ฝนอย่าตกนะ พวกนี้ตกเวลาที่เวลานั้นเวลานี้สั่งมันได้หเปล่าให้แดดออกเวลานั้นเวลานี้เอให้มีพายุเวลานั้นเวลานี้สั่งไม่ได้ของพวกนี้มันมาตามตามธรรมชาติของมันนั้นเราอย่าไปสั่งอย่าไปห้ามสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้เอถ้าเราไปสั่งแล้วเราจะเครียดกับมันเวลามันสั่งแล้วมันไม่ได้ดังใจออมาสั่งใจดีกว่าสั่งให้มันหยุดอยาก หยุดแก้อย่าไปแก้สิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้มาแก้ตัวเองนี่แก้ใจของตัวเองนี่หยุดความอยากหยุดความคิดเท่านี้แหละแล้วใจจะมีความสุขมากจะมีความสุขมากยิ่งกว่าเป็นพระราชามหากษัตริย์จะมีความสุขมากยิ่งกว่าเป็นมหาเศรษฐีถ้าไม่เป็นความสุขอย่างนี้พระพุทธเจ้าก็กลับไปเป็นเจ้าชายสิทธัตถะต่อแล้วทาไมพระพุทธเจ้าถึงไม่กลับไปอยู่ในวัง ก็เพราะว่าพบความสุขที่ดีกว่าความสุขที่มีอยู่ในวังนั่นเองคืออันนี้แหะพระพุทธเจ้าเป็นผู้ยืนยันว่าความสุขใจนี่แหละเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงพระพุทธเจ้านี้ได้พบกับความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่สุดทางโลกมาแล้วคือความสุขของของกษัตริย์ของพระเจ้าแผ่นดินจะมีใครมีความสุขมากกว่ากษัตริย์บ้าง ท่านสัมผัสแล้วแต่ท่านรู้ว่ามันไม่เป็นสุขแท้มันเป็นสุขที่เคลือบความทุกข์ไว้หุ้มห่อความทุกข์ไว้ท่านจึงไม่กลับไปหามันอีกเพราะท่านได้พบกับความสุขที่แท้จริงที่เป็นความสุขล้วนๆไม่มีความทุกข์ซ่อนอยู่เลยเป็นความสุกร้อยเปอร์เซนตถ้าเป็นทองทองคำก็ทองแท้ไม่ใช่ทองเคไม่ใช่ทองที่มีส่วนผสมอย่างอื่น นี่คือความสุขที่เกิดจากความสงบจากการที่เราใช้สติและปัญญากําจัดความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจนี่คือสิ่งที่เราควรที่จะมาศึกษาและมาปฏิบัติกันอย่าไปแก้ปัญหาต่างๆในโลกนี้ถ้าแก้ไม่ได้แก้ไม่ได้ก็ปล่อยมันไปถ้ายังแก้ได้ก็ต้องแก้ไปเพราะว่ายัางมีหน้าที่ต้องดูแลรักษาอะไรต่างๆอยู่ก็ดูแลไปรักษาไป แต่อย่าให้มันทำให้เราเครียดก็แล้วกันถ้าเครียดก็แสดงว่าเร า, เามันมันเกินขีดไปแล้วมันเกินขีดความถูกต้องพอดีแล้วก็ต้องหยุดมันแสดงว่าเราแก้ไม่ได้แล้วนะนี่คือเรื่องที่เราควรที่จะมาสนใจแก้กันอย่างไรโทรศัพท์พวกนี้มันจะเสียไม่เสียก็เรื่องของมันแก้ได้ก็แก้ไปถ่ายทอดได้ก็ทอดไป ทอดไม่ได้ก็ไม่ต้องดูกันดูย้อนหลังก็ได้มีต้องเยอะแยะแล้วเนี่ยอมีคลิปที่ถ่ายทอดไว้ทุกวันนี้ไม่ได้ลบทิ้งสามารถกลับไปดูได้เหมือนกันเทศเมื่อวานนี้ก็เทศวันนี้กับเ ท, กเทศเรื่องเดียวกันนี่แหละเทศเรื่องกิเลสเทศเรื่องตัณหาเทศเรื่องธรรมะเรื่องศีลสมาธิปัญญาไม่ได้เทศอะไรหรอกก็พูดเรื่องเก่านี่แหละพูดจนคนพูดนี้เบื่อแล้วไหมไม่รู้จะเอาอะไรมาพูดแล้กลัวคนฟังจะเบื่อ แต่ถ้ายังมาฟังก็แสดงว่าไม่เบื่อเพราะว่าไม่ได้มาฟังทุกวันนานๆเขามาฟังทีเขาเลยไม่เบื่อแต่เราพูดทุกวันเราก็เลยเกิดความรู้สึกเบื่อขึ้นมาเองเพราะเราไม่รู้จะหาอะไรมาพูดแล้วก็พูดเรื่องไหนก็เคยพูดมาหมดแล้วแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะก็ถ้าวันไหนถ่ายทอดสดไม่ได้ก็ดูย้อนหลังไปก่อนก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พร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 อระโสยะธาสัพีติโยวิวัจจันตุสัพพโรโควินาศตุมาเตภวัตวันตารโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาตนาสีฤทสานิจังวุทฒาปจายโนจตารโหธรมมาวัฏานติอายุวโนสุขัง ล, ลถ้าอยากได้หนังสือซีดีก็หยิบได้นะ<ม>เอาไปอ่านเอาไปฟังได้<ม>ได้ทุกเล่มเลยถ้าเอาไปอ่านก็นนได้ทุกเล่มถ้าเอาไปวางไว้ก็ยาวไป<ม>อยาวไปบูชาเอาไปวางตั้งไว้บนหิ้งหนังสือมีไว้อ่านไม่ใช่มีไว้บูชา อันนี้ทาง Facebook YouTube เข้ามาเท่าไหร่ทาง Facebook มาสี่ร้อยห้า161หนึ่งร้อยหกสิบเอ็ดวิทยุสิบเก้าและรับฟังบนเขาสามสิบสี่รวมเป็นหกร้อยสิบเก้าค่ะ a c e b o o กก็ยังเข้ามาได้อยู่นะ Facebook นี้เข้ามาได้แต่ได้ตั้งแต่ต้นเลยใช่ไหมใช่ก็ปริมาณก็เท่าเดิมสี่ร้อยกว่าก็าร้อยกว่า ม, มีใครอยากจะถามอะไรไหม เดี๋ยวเอาไหมหยิบไหม้หน่อยจะได้เสียงดังฟังชัดอ่าอาจารย์กาแฟอาจารย์อยอาอสอบถามนิดหนึ่งครับถ้าเกิดว่าตอนที่เรากำลังตั้งจิตแล้วเราใช้ลมหายใจเป็นฐานแต่ว่าขณะนั้นเนี่ยกลิ่นควันรถยนต์มันเข้ามาเหม็นมากณจังหวะที่เรากำลังทำครับแล้วทีเนี้ยไม่ทราบว่าก็ไปหาที่ไม่มีกลิ่นไม่ได้นะ ทำไมไปนั่งที่มันมีกลิ่นนะเพื่อเอิญเดินครับแล้วที่นี้แล้วถ้ามันนั่งไม่ได้ก็ไม่ได้ตอนนั้นไปท่านเองครับนก็แล้วก็ยพยายามเด็กเลี่ยงที่ที่มันมีกลิ่นด้วยไปหที่มันมีกลิ่นครับที่ต้องห่างไกลจากแสงสีเสียงลูกเสียงกลิ่นลดที่ลบกวนใจครับมีอะไรมาเป็นอุปสรรคก็ต้องต้อง ต, อ ง, ตองย้ายที่คเพราะว่าไม่งั้น ทำไปมันจะไม่ทรงตัวใช่ไหมครับก็ต้องย้ายก็มันทําไม่ได้นะใช่ไหมครับทําไมต้องไปอยู่ที่มันมีกลิ่นด้วยที่มันไม่มีกลิ่นไม่มีไปเลยอ๋ อ, อเพื่อนจังหวะมันพอดีพอดีตอนนั้นมันผิดจังหวะปกติแล้วก็ไม่ทําตรงนั้นแร้วครับแต่ว่าเพือเดิ น, เ ด, นเดินไปแล้ว มันอยู่ตรงจอกอะราจนพอดีมันก็เลยกินเต็มเลยครับก็ถือว่ามันเป็นของชั่วครั้งชั่วคราวก็ไม่เป็นไรครับการปฏิบัตินี้มันไม่ได้เอาแค่ยกสองยกหรอกมันเป็นมันเป็นร้อยยกพันยกกว่าจะได้ได้เรื่องได้ราวครับไม่ใช่นั่งครั้งสองครั้งแล้วมันจะได้เรื่องได้ราวครับนิดหนึ่งนะครับคือ สมมติถ้าถ้าเราทำสมาธิแบบนี้ไม่ได้มีวิธีสัมลองไหมครับหมายถึงว่าถ้าเราไม่ใช้ลมหายใจเป็นฐานแต่แบบว่าเราจะทำอะไรได้บ้างไหมครับใช้เพ่งเอาก็ได้เพ่งเพ่งกระดูกก็ได้นึกถึงนึกถึงหลับตาแล้วก็นึกถึงภาพโครงกระดูกขึ้นมาครับเตาเนี้เรามีอยู่ในตัวเรานึกถึงโครงกระดูกในร่างกายเรานี่พยายามหลับตาก็้นึกถ้ายังไม่รู้ว่าภาพโครงกระดูกเป็นไงก็ไปเปิดหนังสือดูก่อน อ, อืดูแล้วก็หลับตา ดูแล้วก็จําภาพไว้แล้วก็มาหลับตานึกถึงภาพนั้นครับก็เพ่งดูโครงกระดูก็ได้หรือจะ เ, อ เ, เพ่งดูอ น, นาตอมี่ก็ได้บางไปดูภาพวาดของร่างกายที่มีทั้งหัวใจมีปอดมีตับมีไ ต, ม, ต, ม, ตมีลำไส้มีอะไรครับก็พยายามนึกถึงภาพนั้นแทนก็ได้อืมและฟังถามนิดนึงได้ไหมครับคือถ้าเกิดเป็นเรื่องภาพนะครับอย่างอย่างผมก็คือจะ จับภาพพระเป็นประจำทีเนี้ถ้าเรจะจับภาพพระกับภาพกระดูกครับมันจะมีความต่างกันยังไงไหมครับผมเปิดใจรับทุกอย่างเลยวครับอ๋อถ้าเรายังดูกระดูกไม่ได้ก็ดูภาพพระไปก่อนครับแต่กระดูกมันได้สองเด้งถ้าภาพพระมันได้เด้งเดียวครับภาพพระก็ได้เพียงแต่สติได้ความสงบแต่ถ้าดูกระดูกมันได้ปัญญาด้วยได้วิปัสสนาด้วยมันจะได้เห็นความจริงของร่างกายว่างนอกจาก ผมขนเล็บฟันหนังแล้วมันยังมีกระดูกด้วยอที่เรามองไม่เห็นที่เราหลงติดมีแฟนกันก็เพราะไม่เห็นโครงกระดูกของแฟนไม่ใช่ไหมถ้าต่อไปเห็นโครงกระดูกของแฟนต่อไปก็จะไม่อยากมีแฟนก็ <c oughs> เพร้อมถ้าก็มีโครงกระดูกใช่ไหม <c oughs> มีใครไม่มีโครงกระดูกบั้งแต่มองไม่เห็นกันใช่ไหมเ <c oughs> นี่ยเสียเงินเสียทองกันไปหาแฟนกันเพราะไม่รู้ว่าไปหาโครงกระดูกกัน แต่ถ้าเราเพ่งโคงกระดูกอยู่เรื่อยๆต่อไปมันจำได้ว่กกูไม่เอาแล้วนะแฟนเฟิร์นมีแต่โครงกระดูกทั้งนั่งเลแต่ถ้าใจเรายังไม่แข็งพอยังไม่กล้าพอเราก็ยังดูไม่ได้ก็ดูพระพุทธรูปไปก่อนก็ได้ดูดูสีก็ได้นึกถึงสีเราชอบสีไห น, น่ะชอบสีเขียวก็หลับตาแล้วก็นึกนึกสีเขียวอยู่ในใจให้มันโผล่เป็นสีเขียวเวลาหลับตา <Okay. S 1> ใช้สีก็ได้ สีขาวก็ได้สีเขียวก็ได้สีแดงก็ได้สีเหลืองก็ได้อันนี้ก็เป็นเป็นเครื่องที่เราสามารถใช้ทดแทนลมได้ครับแล้วอ่าอันนี้จะถามยังไงดีถ้าถ้าถ้าเราตั้งใจที่จะอย่างเราพยายามที่จะซ้อมซ้อมซ้อมตายแห้งบ่อยๆครับทีเนี้ย เนี่ยกายแห้งบอกว่าไงไม่ค่อยจะอมตาแห้หมายถึงว่าก็สมมุติถ้าเกิดเราหกล้มเมื่อเรากําลังภาวนาอยู่ก็เราก็เราก็นอนต่อเราภาวนาต่ออะไรเงี้ยคือชั่งมันตายก็ตายอะไรอย่างเงี้ยครับหรือทํานองอย่างครับทีเนี้ยถ้าจังหวะที่เราต้องตายจริงๆครับ เ, เพลินได้ยินท่านนึงบอกว่าผมมีอากามีโอกาสตกอาบัยภูมิผมก็เลยแบบว่าอืม ถ้าไม่รู้ว่าจะมีความเสี่ยงอะไรอีกที่แบบว่าจะทําให้เราไม่ตกอับอาภูมิตอนเราตายได้ครับพายตาคือเราไม่รู้ว่ากรรมเก่าเราทํามามากน้อยเพียงไรับบาปกรรมที่เราทํามานี่ที่เราทําไว้ยังไม่ส่งผลนี่เราไม่รู้ว่ามีมากน้อยเพียงไรเวลาเราตายเนี่ยบาปกระบุญมันจะมาแย่งใจเราไปครับอันไหนมีกําลังมากกว่ามันก็จะดึงไปทางนั้นถ้าบาปมันมีมากกว่าบุญมันก็จะดึงเราไปอบายอืม ถ้าอยากจะไม่ไปอาบายนี้ต้องเป็นพระโสดาบันขึ้นไปจะมีสติมีปัญญามีกำลังที่จะดึงใจไม่ให้ไปทางอาบายนะเพราะใจจะไม่ใยเรื่องของการทำบาปอีกตอ่อไปยอมตายถ้าต้องแลกระหว่างความตายกับต้องทำบาป น, นี้พระโสดาบันจะยอมตายก็อย่างนี้ก็จะไม่ไปอาบายโดยเด็ดขาดแต่ถ้าเรายังรักตักักตัวกลัวตายอยู่นี่ ถึงเวลาใกล้าตายใครกล้าจะไปฆ่าคนที่จะมาฆ่าเราก่อนนี้มันก็ยังไปอบายได้อยู่แต่ถ้าแต่เรายังอยากช่วยคนอื่นนะครับพระอาจารย์ก็เหมือนกันแหละช่วยคนอื่นก็แสดงว่าเรายังหลงอยู่เรายังไม่เห็นว่าคนอื่นก็ต้องตายเหมือนกันช่วยไม่ช่วยไม่ช่วยเขาก็ต้องตายเหมือนกันแล้วไปทําบาเพื่อไปช่วยเข า, ามันได้ไม่คุ้มเสียเขาใช่ไหมก็ไม่ไปห้ามันก็ไปห้ามความตายเขาไม่ได้อยู่ดีเพียงแต่ประวิงเวลาให้มันยาวออกไปหน่อยไม่ตายวันนี้ก็ต้ไปตาย พรุ่งนี้หรือไ ป, ไปตายปีหน้าเลยเท่านั้นเองมันก็ยังตายอยู่เหมือนกันฉะนั้น <Okay. S 1> เราจะไม่ทําบาปโดยเด็ดขาดถ้าผู้ถ้าเราเห็นว่าทุกอย่างเกิดแล้วต้องมีการดับถ้าเราเห็นอ น, นิจจังสิ่งใดมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดาเราก็จะช่วยเขาในในในขีดที่ช่วยได้แต่พอต้องทําบาปจะไม่ช่วยทันทีไม่ใช้ไหมแม้ว่าจะเป็นร่างกายของเขาหรือร่างกายของเรา ครับถ้าเกิดตั้งใจแบบนี้โอกาสตกอภัยก็จะน้อยลงใช่ไหมครับมันเราจะไม่ทำบามันตั้งใจไม่ได้มันต้องรู้ด้วยปัญญามันตั้งใจตอนนี้แต่อพอเกิดเหตุการณ์จริงไอ้ที่ตั้งใจไว้มันล้มไปหมดนะมันจะจําไม่ได้มันจะกลับไปใช้นิสัยเดิมนั่นที <c oughs> มีแต่ปัญญาเท่านะั้ที่จะแก้นิสัยเดิมมันได้นิสัยเดิมเราจะมักจะรักษาทุกอย่างไม่ว่าด้วยวิธีใดใช่จะต้องทําบาปก็ปยินดีที่จะทำ แต่ถ้าเรามีปัญญาเห็นว่ามันรักษาไงมันเดี๋ยวมันก็ตายอยู่ดีก็ไม่รักษามันดีกว่า อ, อย่างความประดุกนี่ก็เป็นเรื่องก็เป็นหนึ่งทางที่จะทำให้ปัญญามากขึ้นนึกถึงความตายอยู่เรื่อยนึกถึงความตายของทุกคนอยู่เรื่อยๆทุกคนเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายด้วยกันทุกคนเนี่ยที่ไปเชงแมงก็เพื่อไปเนี่ยไปเจริญธรรมะ ก, กันรู้เปล่าไม่ใช่ไปไปไหว้เจ้าไปกินเลี้ยงกันที่ หลุมศพนะอ้นิกถึงว่าเนี่ยคนที่อยู่ในหลุมเมื่อก่อนเขาก็เป็นเหมือนเราต่อไปเราก็จะเป็นเหมือนเขาต่อไปเราก็จะเข้าไปอยู่ในหลุมนั้นเหมือนกันไม่ว่าเราจะทํายังไงก็ตามก็ห้ามมันไม่ได้ครับพระอาจารครับคําว่าสติกับสัมปชัญญะต่างกันยังไงครับ อ, อ๋อสติมันเป็นแบบชั่วขณะไงขณะหนึ่งที่เราไม่สติก็เป็ น, เ ป, นเป็นสติสติปับ๊บเดี๋ยวเดี๋ยวก็เผลอเผลอ แต่ถ้าสัมปัชัญญามันต่อเนื่องสติที่ต่อเนื่องเรียกว่าสัมปัชัญญาสติไม่ขาดตอนพูดงี้นะ mm hmm. ธรรมดาสติแล้วมันจะขาดตอนเนี่ยลมลุกคุกขานใหม่ๆมันจะลมลุกคุกขานเด mm ี๋ยวก็เผลอพุทโธได้สองคำอ่ะไปคิดอันนู้นล่ะไปคิดอันนี้แล้วนี่เรียกว่าสติหมดละแต่ถ้าสติไม่หมดก็จะเรียกสัมปัชัญญาพุโทโธพุโทโธไปได้เรื่อยๆไม่ไมเผลอไม่ได้คิดเรื่ององื่นออ mm ื hmm. แล้วการที่เราพยายามส่งกําลังใจที่เราซ้อมประจําอย่างนี้ถือว่าเราทรงสติสัมปัานยาไหมครับถ้าทําบ่อยๆถ้ามีพุโทโธอยู่ในใจบ่อยๆมันก็ต่อไปก็จะเป็นสัมปชัญญาขึ้นมาเหมือนเด็กอะ่ะตอนต้นก็ล้มลุกคุกคานไปก่อนก่อนที่จะต่อไปก็ยืนแล้วก็เดินได้เหมือแตอ่ตอนต้นก็ยืนได้บ้างเดี๋ยวก็ล้มใช่ไหมเห็นเด็กไหมพยายามดเดินเดินได้สองก้าวล้มอีกแะ้ว แตพยายามฝึกไปเรื่อยพยายามหัดยืนไปหัดเดินไปต่อไปก็ยืนได้ไม่ล้มต่อไปก็เดินได้ไม่ล้มต่อไปก็วิ่งได้ครับผมขอบคุณครับที่ส่งข้อความมาทางข้อความที่ส่งคําถามมาทางข้อความใช้ไจะส่งมาเรื่องหนึ่งเรื่องเรื่องกิ่นเนี่ยนะครับเพราะว่าเ<ผ> ม, ม, ม, ม, มื่อวานนี้แหละแล้วสองวังนก่อนเมื่อวานเมืม่อวานอยู่ที่ไหน อยู่ที่คุงอ๋อทอนส่งอยู่ในห้องน้าครับไม่อยู่ที่ไหนไม่ไม่ไม่ได้หมายถึงสถานที่นั้นหมายถึงอยู่เมืองไหนอ๋อกรุงเทพอ่าไ ม, ไม่ต้องละเอียดถึงขนาดนั้นไม่ต้องบอกกาลังทำอะไรด้วยครัเพราะว่าผมผมจำได้คือมีอันนี้ผมไม่รู้เป็นเรื่องแต่งหรือเปล่าแต่ว่าเหมือนกัปตอนที่อะไรนะฮานุมานทำลายพิธีที่ท่านหนึ่งเขา แต่ปุกหอกหรืออะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็โดยการส่งกลิ่นหมาเน่าไปเนี่ยนะครับไม่เขาทำไม่ได้เขาเลยถ้าแบบกลิ่นมันเป็นอย่างนี้จะมีวิธีการให้บ้านครับคเวลาส่งข้อความมันนี่เรารอฟังคําตอบวะก็ได้ฟังได้ฟังสดหรือเปล่าครับเวลาถามแล้วได้ฟังไม่ค่อยได้ฟังสดเท่าไหร่ครับเพราะตอทํางานก็จะทํางานแต่ว่าแล้วเราไปพากลับคำตอบตอนไหนล่ะ ไปดูย้อนหลังหรือไม่ได้ดูนะถามไปอย่างนั้นส่วนใหน่ก็เลยจะมาถามเองครับอขาเป็นคนใจร้อนด้วยครับไอที่ส่งไปส่งมาสงมา่สงมาก็ไม่ได้สนใจจะฟังคําตอบนสนใจครับก็องถึงมาถามเองเนี่ยครับก <ห ả? S 2> ็ถึงมาถามเองเลยครับไม่รอไม่รอครอับแต่ไม่ได้รอฟังตอนที่ถ่ายทอดสดตอนนั้นเลยไม่แน่ใจว่าจะได้ได้คําตอบตอนไหนครับคนใจร้อนอด้วยครับอโอเค ท่านที่ถามคำถามมาช่วยรายงานได้ไหมว่าได้ฟังได้รับฟังคำตอบหรือเปล่าจะาได้ทราบว่าถึงใจไห ม, มตัวถามถามกันแล้วก็เวลาตอบไม่มีใครฟังคำตอบแต่แตยังไนไลา์นี่ก็เปนอนส์ทัน ท, ทีทันทีเลยก็คือพอ เราถา ม, มาปุ๊เรามาร์คเสร็จแเราเราส่งเวลาที่เราตอบคำถามไปเขาก็จะตอบกลับมาทันทีครับว่าเขากำลังฟังดีทางกับน้องสกาเลียนถามพระอาจารย์ค่ะคือเพิ่งเริ่มปฏิบัติธรรมหลังจากที่ลูกชายเสียไปได้หนึ่งปีที่ผ่านมานี่ก็เริ่มปฏิบัติธรรมมาตลอดเลยค่ะพระอาจารย์แล้วก็คือมันก็ค่อยๆพัฒนาจากห้าสิบสิบห้าตอนเนี้ยค่ะก็ ได้ประมาณที่45นาทีซึ่งรู้สึกว่าจิตมันจะสงบอยู่ในช่วงประมาณ30นาทีขึ้นไปพอ45นาทีขึ้นไปแล้วมันจะเริ่มมีอาการปวดแล้วจิตใจมันจะเริ่มวาววุ่นกับความปวดนั้นนะคะรพระอารย์เพต้องตามสติใหม่สติแล้วหมดมพุดโทโธพุโทโธไปอย่าขี้เกียจค่ะหรือบังคับให้ดูลมหายใจเข้าออกต่อไปอพอ<ช>สติมันหมดกําลังกิเลสมันเริ่มดันใจออกมาเลยทําให้อุเบกขาเราหายไป ทนกับความเจ็บปวดของทางร่างกายไม่ได้แต่ถ้าเราพุโทโธพุทโธต่อไปเดี๋ยวอุเบกขามันกลับมามันก็จะไม่ไม่เดือดร้อนกับความเจ็บของร่างกาย ม, กมันจะเจ็บอยู่แต่เราจะสามารถอยู่กับมันได้ใช่ไมคะพระอาจารย์ยังต้องจะพยายามต่อไปค่ะพระอาจารย์พยายามนั่งให้นานๆเนี่ยมันจะก้าวหน้าก็ต้องตอนที่มันอยากจะออกแล้วเราไม่ยอมออกเราจะอยู่ต่อมันจะดันมันเข้าไปได้ทุกครั้งที่อยากออกแล้วก็ออกตามมันแล้วก็จะติดอยู่ตรงนั้น <C> e แต่ถ้ามันอยากจะออกกูไม่ออกกูพุทโทต่อพ่ะย่ะเดี๋ยวค่อยๆเพิ่มกำลังไปใช่ไหมคะอ<ช>าจารย์ค่ังปใะอาแล้วก็ดันมันเข้าไปได้ค <C> e ่ ะ, ะแล้วต่อไป <C> e อยานั่งได้ยาวนานชั่วโมงสองชั่วโมงนี้นั่งได้สบาย <C> e แล้วช่วงที่มันสงบช่วงสามสินาทีนั้นถือว่าเป็นสมาธิหรือยังคะอาจารย์ก็อย่าไปถือเลยขอให้มีความสุขมันอยู่เฉยๆได้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วหละอดีกว่ะต้องไปหานู่นหานี่มาทํานั่งเฉยๆได้ไม่ว่าจะสงบแบบไหนก็ถือว่าดีกว่า ดีกว่าไปทํานู่นทำนีน่นมันวัดที่ความสุขอ่ะถ้ามันสงบแล้วเรามีความสุขก็ถ้าเรามีความสุขก็ถือ ว, ว, ว่าเราเราได้ความสงบแล้ว <cents S 1> แหละแต่ถ้ายังไม่ได้ความสุขเพียงแต่ยังต้องสู้กันอยู่ก็อย่างน้อยก็เรากําลังกําลังกําลังผักมันอยู่กําลังต่อยกับมันอยู่แต่อย่างน้อยเราไม่ยอมแพ้มันออถ้าตบาบดเรานั่งอยู่นี่ก็ยังถือว่ายังใช้ได้ จะนั่งอยู่แบบสู้กันหรือจะนั่งอยู่แบบสงบนี้ก็แล้วแต่บางคั้มันเจ็บมากจนน้ําตามันคอเลยค่ะช่างมันอย่าไปสนใจเจ็บก็เจ็บน้ําตาเราหลังเริ่มหอืมมาเยอะแยะแล้วยังหลังได้แตนี่หลังเพื่อเราเองทําเป็นหลังไม่ได้หลังเพื่อชายชนะของเรายอมหลังมันไปสาธุเจ้าค่ะคําถามจากทาง facebook จากคุณศิรารัตน ถ้าต้องการไปปฏิบัติธรรมที่วัดจะได้ไหมคะต้องทําอย่างไรคะที่วัดยานเขามีที่พักให้อยู่ได้ข้างละเจ็ดวันนุ่งขาวห่มขาวถือศีลแปดลงโบสถ์เช้าเย็นแต่เป็นที่พักแบบหอพักเป็นเป็นห้องห้องอยู่ในสามารถจองที่พักได้ถ้ารู้จะรู้เบอร์โทรของวัดยานถ้าไม่รู้ก็ก็ลองค้นหาดูในเว็บไซต์น่าจะมี เว็บไซต์ของพระสุชาติมีะนะเราก็ไปดูในพุชาติ .com ก็ได้แล้วก็จองไว้ล่วงหน้าก่อนเพราะถ้าไม่จองเวลามาอาจจะไม่ไม่ว่างที่มันอาจจะเต็มพยายามมาวันที่ไม่ใช่เป็นช่วงที่ไม่ให้เป็นเทศกาลเพราะเทศกาลเขาจองไว้ล่วงหน้ากันหมดแล้วแต่วันช่วงธรรมดาอย่างนี้มักจะว่างมักจะมีที่ว่างคำถามจากคุณบีหนะ้า พ่อแม่ต้องเลี้ยงลูกไปจนถึงลูกอายุเท่าไหร่คะพ่อแม่ถึงจะออกบวชได้คะก็จนกว่าลูกจะเลี้ยงตัวเองได้ช่วยตัวเองได้ลูกแต่ละคนก็มันไม่เหมือนกันบางคนเก่งก็อายุสิบกว่าก็หาเงินได้นะบางคนสามสิบกว่าอีกสิบสิบกว่ายังของเงินแม่ใช้อยู่อันนี้ก็แล้วแต่ส่วนหนึ่งอยู่ที่เราเลี้ยงมันยังไงถ้าเราเลี้ยงให้มันหัดช่วยตัวเองตั้งแต่เด็กมันก็จะช่วยตัวเองได้เร็วตอนช่วงเด็กๆโรงเรียนปิดเท่มันก็ ให้มันไปหางานทำสิให้มันไปหัดทำงานอย่างให้มันรู้จักหาเงินใช้เองต่อไปเดี๋ยวมันก็หาเงินได้ถ้าเราเลี้ยงมันอยู่เรื่อยๆไม่ให้มันหาเงินเองมันก็หาไม่เป็นแล้วมันก็จะขี้เกียจมันก็จะไม่อยากหาใช้เงินแม่สบายกว่าเรื่องอะไรไปหาเงินเองแต่ถ้าแม่บอกแม่ไม่มีเงินนูต้องช่วยแม่หน่อยนะแม่ก็มีเท่านี้ละถ้านูอยากจะได้เงินมากกว่านี้นูก็ต้องไปช่วยทางานหางานทาเอา ถ้า อ, อย่างนี้เดี๋ยวเขาก็ต้องทำงานถ้าเขาทำงานเป็นแล้วเขาจะเป็นพึ่งตัวเองเขาได้เร็วคำถามจากคุณวชิราพรปกติไม่ภาวนาเลยเจ้าค่ะแต่มีอยู่คืนหนึ่งก่อนจะหลับ นึกขึ้นแว็บหนึ่งว่าร่างกายของเรานี้มันสวยดีแล้วก็หลับไปแต่เหมือนไม่หลับจูจูก็มองเห็นว่าตัวเองนอนขดอยู่แต่ไม่มีหนังคุ้มร่างมีแต่เนื้อแดงๆผิวหนังที่เราบำรุงให้มันดีมันหายไปหมดเลยเหลือแต่เนื้อแดงแบบนี้หมายความว่าอย่างไรคะตอนแรกนึกว่าตัวเองตายไปแล้วก็วหมายความว่าเราได้เห็ น, นสุภาษิเห็นส่วนที่เราไม่ได้เห็นของร่างกาย พอใต้ผิวหนังมันก็มีเนื้อดังแดงนี่ถ้ามองลึกเข้าไปเดี๋ยวก็จะเจอกระดูกอีกทีคำถามจากคุณซูในกรณีที่เราทำสมาธิแล้วเห็นเป็นดวงจิตกลางหน้าผากวูบวาบนั้นคืออะไรคะรอย่าไปเห็นเลยมันเป็นภาพหลอนภาพหลอกให้เรามาอยู่กับพุทโธอยู่กับลมไปอย่าไปสนใจ <c oughs> เวลานั่งนี้มันจะมีอะไรมาหลอกมาหลอนใจเรา ถ้าเราไม่มีอะไรควบคุมใจเดี๋ยวจะหลงตามไปเราจะลายอาจจะเสียสติได้เวลานั่งแล้วอย่าไปสนใจกับอะไรที่มาปรากฏให้เรารู้ร่าเห็นให้อยู่กับลมหายใจไปให้อยู่กับพุโทโธไปสิ่งที่เราต้องการก็คือความสงบความนิ่งความว่างถ้ามีอะไรอย่าไปสนใจให้อยู่กับลมไปอยู่กับพุโทโธไปเราจะปลอดภัยเราจะไปถึงจุดหมายปลายทางคือความสงบ อเบาที่เราต้องการความเย็นความอูเบคาของใจคำถามจากคู่ไม่ประสงออกนามถ้าติดการเล่นกีฬาออกกำลังกายเกือบทุกวันถ้าไม่ได้เล่นจะรู้สึกไม่สบายกายมีงุดหงิดบ้างแต่ก็รู้ตัวแต่ถ้าได้เล่นกีฬาก็จะสบายเนื้อสบายตัวยังติดความสบายของร่างกายอยู่ถ้าติดแบบนี้จะแก้ไขยอย่างไรเพราะการออกกาลังกายก็ทาให้สุขภาพแข็งแรงครับ ก็ต้องอะว่ามันไม่เที่ยงไงต่อให้ออกกําลังกายมากน้อยขนาดไหนเดี๋ยวถึงวันหนึ่งมันก็ออกไม่ได้ร่างกายมันก็จะต้องแก่ลงไปเรื่อยๆกาลังวังชามันก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆเดี๋ยวถึงวันนั้นมันก็จะออกกําลังกายไม่ได้ดังั้นอย่าไปสนใจกับเรื่องร่างกายมากเกินไปร่างกายเลี้ยงมันพอให้มันอยู่ได้เป็นปกติสุขก็พอถ้าอยากจะมีความสุขมาหาความสุขทางใจดีกว่ามาออกกําลังใจดีกว่าอย่าไปออกกําลังกาย วิธีออกกาลังใจก็คือพุโทโธพุโทโธเนี่ยการออกกําลังใจถ้าเราฝึกพุโทโธพุโทโธต่อไปเรานั่งสมาธิได้ใจเราจะมีความสุขมากกว่าร่างกายที่ได้ออกกําลังกายหลายร้อยเท่าเลยธรรมศาสตรพระอาจารย์ค่ะพระอาจารย์คะที่พระอาจารย์กล่าวถึงเรื่องของการทําสมาธิแล้วก็เรื่องของการทําวิปัสสนาค่ะ ที่บอกว่าถ้าเวลามีอะไรมากระทบแล้วเราสามารถวางได้ในการใช้ชีวิตประจำวันนะคะพระอาจารย์คือการทำสมาธิเพื่อเอามาใช้กับวิปัสสนาก็คือการวางใช่ไหมคะระอาจารย์ใช่ถ้าไม่มีสมาธิมันวางไม่ลงไหยคิดยังไงรู้ว่ามันรู้ว่ามันเป็นตายรักอันนี้จังทุกขังอนัตตาแต่มันก็ยังวางไม่ได้แต่ถ้าเรานั่งสมาธิได้พอเราเห็นว่ามันเป็นตายักเราก็จะวางได้ ค่ะ<ม>ก็คือเหมือนกับพระการทำสมาธิเพื่อมาใช้กับวิปัสสนาค่ะแล้วถ้าไม่มีสมาธิาตอนนี้เราไม่มีสมาธิกันเรามีปัญญาเรามีวิปัสสนากันแต่เราทำใจไม่ได้ค่ปล่อยวางลูกยังไม่ได้มันจะเป็นจะตายยังยังเฉยไม่ได้ใช่ค่ะแต่ถ้าเรามีสมาธิเราก็จะเฉยได้มันจะเป็นจะตายก็เป็นเรื่องของมัน แต่เราก็ดูแลมันไม่ใช่ไม่ได้ไม่ได้ดูแลมันช่วยมันเพียงแต่ว่าใจเราไม่วุ่นไปกับความเป็นความตายของเขา <Okay. S 2> ถ้าเรามีสมาธิตอนนี้เรามีปัญญาใช่ไหยเรารู้ว่าเกิดแก่เจ็บตายมันต้องมีด้วยกันทุกคนใช่ไหมแต่พอเขาเป็นวัยขึ้นมานี่ใจวุ่นขึ้นมาเพราะไม่มีสมาธิถ้ามีสมาธิจะไม่วุ่นถ้ า, ถารู้ว่าร่างกายเป็นอย่างนี้แหละ <Okay. S 2> เป็นขึ้นๆลงๆออื จะเป็นจะตายเมื่อไหร่ไม่มีใครรู้ดูแลกันไปตามความสามารถตามอัตภาพจิตใจจะไม่วุ่นถ้ามีสมาธิอขอบพระคุณค่ะคำถามสักท้งลายค่ะ เพื่อนผมเป็นคนเก่งเรียนจบสูงขยันทำมาหากินชอบทำบุญสวมดมนต์ตั้งแต่เด็กจนโตแต่ภายหลังมารู้ว่าตนเองเป็นโรคร้ายที่รักษาไม่ได้ภายหลังเลยหยุดความฝันทที่จะมีเงินเยอะๆมีบ้านมีรถหรือสิ่งอื่นๆที่มนุษย์ปกติมีกันบางครั้งเพื่อนทุกใจหมดกำลังใจไม่รู้ว่าจะตามไปเพื่ออะไรเพราะสักวันคงตายเร็วกว่าคนอื่นๆพระอาจารย์คิดว่าอย่างไรครับทําไมคนดีทําบุญทําทานกระตันยูต่อครอบครัวถึงต้องเจอแต่เรื่องร้ายๆครับ อไม่ใช่คนดีหรอกคนชั่วก็เหมือนกันทุกคนนะเกิดมาก็ต้องเจอเรื่องความแก่ความเจ็บความตายด้วยกันทุกคนไม่มีใครหนีพ้นเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าอย่าไปให้ความสำคัญกับเรื่องของร่างกายมากจนเกินไปพอให้มันอยู่ได้ก็พอเอาเวลานี้มาทุ่มเทให้กับการสร้างความสุขทางใจดีกว่าเพราะความสุขความใจนี้ไม่เสื่อมไปกับร่างกายไม่ไป ความสุขความใจยังมีต่อร่างกายแก่ก็ยังสุขได้ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยก็ยังสุขได้ร่างกายตายก็ยังสุขได้ยังไงมาฝึกทักษะความสุขทางใจกันมาฝึกสติฝึกสมาธิฝึกปัญญากันแล้วต่อไปใจจะมีความสุขไม่ว่าร่างกายจะเป็นยังไงก็ไม่เป็นปัญหามีทางบ้านตอบมาทางเฟสก่บพระอาจารย์ว่าฟังทุกวันก็ไม่เบื่อคะ่ะแล้วก็ พอบอกผมถามครับแล้วเราฟังคำตอบก็ได้คำตอบทุกครั้งครับแล้วบางท่านก็บอกว่าไม่มีคำถามครับแต่ได้ฟังคำตอบของท่านอื่นก็สามารถนำมาแก้ไขตัวเองได้ครับขอบคุณผู้ถามด้วยสาธุเนี่ยถึงบอกว่าถามมาเถิดไม่ต้องอายเพราะพวกเราก็เป็นมีปัญหาเหมือนกันทั้งนั้นบางทีมันยังไม่เกิดขึ้นกับเราเกิดขึ้นกับเขาก่อนแล้วพอเข้ามาถามเราก็จะได้เตรียมตัวเตรียมใจไว้ ต่อไปเวลาเกิดขึ้นกับเราเราก็จะได้ผ่านมันไปได้อย่างไม่ไม่วุ่นวายใจคำ ถ, ถามจากทาง youtube คุณสถาพรค่ะพระพุทธศาสนามหายานและวัชระยานมักจะพูดถึงจิตเดิมแท้จิตเดิมแท้คือจิตที่มีลักษณะอย่างไรพระพุทธศาสนาเถรวาทอธิบายไว้อย่างไรครับจิตเดิมแท้ก็จิตที่สงบไงจิตที่เป็นสมาธินี้แสดงว่าเรากลับไปสู่ความเป็นเดิมแท้ของจิต คือตอนนั้นกิเลสตัณหามันมันมันสงบตัวลงจิตสงบแต่ไม่ใช่เป็นจิตบริสุทธิ์ต้องเข้าใจจิตบริสุทธิ์นี่เป็นจิตที่ไม่มีกิเลสตัณหาจิตเดิมแท้นี่เป็นจิตที่ยังมีกิเลสตัณหาแต่มันสงบมันว่างมันเย็นสบายเวลาเราเข้าสมาธินี่จิตเราสงบเย็นสบายแต่กิเลสตัณหายังไม่ตายมันเหมือนน้ำที่ตะกอนที่ตกแยกออกจากน้า เดี๋ยวพอเราเขย่าขวดน้ำเดี๋ยวตะกรอนที่อยู่มันก็อยู่ก้นมันก็จะลอยขึ้นมาปนกับน้ำอยู่เวลาจิตเดิมออกจากสมาธิมาก็จะเป็นจิตปัจจุบันเนี่ยก็จะมีกิเลสตัณหาอย่างนี้ไปเวลานั่งสมาธิก็กลับเข้าไปสู่จิตเดิมเข้าใจไหจิตเดิมก็คือจิตที่นิ่งสงบไม่ทำงานเรียกว่าจิตเดิมแต่เป็นจิตที่ยังมีกิเลสตัณหาอยู่ต่างกับจิตที่บริสุทธ จิตที่บริสุดนี้จิตของพระพุทธเจ้าจิตของพาอาาระอรหันต์เพราะเป็นจิตที่ได้กรองหรือกำจัดกิเลสตัณหาที่มีอยู่ในใจไม่ให้หมดไปด้วยการเจริญวิปัสสนาหรือปัญญาสมาธินี้เพียงแต่ทำให้กิเลสสงบตัวลงแต่ไม่ตายแต่วิปัสสนานจะเป็นตัวที่ตัดแยกกิเลสออกจากใจออกไป คำถามจากคุณทัศนีหลังจากนั่งสมาธิเสร็จจะรู้สึกว่าจิตนิ่งและแกร่งขึ้นดิฉันคิดถูกไหมคะถูกต้องเวลาจิตนิ่งจิตสงบนี้มันจะมีพลังมันจะเฉยพลังเฉยเหมือนหินอ่ะหินมันไม่ได้มันไม่ได้แข็งแกร่งเพราะมันเคลื่อนไหวไปไหนมาไหนได้เห็นมันแข็งแกร่งเพราะมันอยู่เฉยเฉยใครไปถีบไปไปดึงไปอะไรมันมันก็ขยับมันไม่ได้ จิตที่นิ่งก็เหมือนกันใครจะมาด่าใครจะมาชมใครจะเอาอะไรมาล่อก็มันก็มันก็เฉยมันไม่มันไม่สนใจพูดง่ายๆไม่แคร์อย่างเงี้ยใช้ภาษาปัจจุบันไม่แคร์ไอ้โดนแคุณจะอยู่คุณจะไปไอ o n t c แค e เออถ้าจิตสงบแล้วมันไม่มันไม่ต้องการอะไรไงมันอยู่ของมันได้เองมันมีความสุขในตัวมันเองมันก็เลยแข็งแข็ง าาคำถามสกุลจิรศักดิ์ถ้าหากจิตสงบในระดับหนึ่งแล้วสามารถละความคิดที่ทําให้จิตหลงไปอยู่กับความคิดนั้นแล้วเกิดความทุกข์อยู่เสมอโดยตลอดพร้อมกับฝึกสติโดยอยู่กับลมหายใจอยู่เสมอๆทําแบบนี้จะมีโอกาสรู้เห็นธรรมขั้นสูงได้ไหมครับการที่เราจะ <c oughs> รู้เห็นธรรมขั้นสูงได้นี้ยังต้องมีปัญญาต้องรู้ว่าความคิดแบบไหนคิดไม่ดี ถ้าเรายังไม่มีปัญญาเรายังอาจจะไม่รู้เรายางจะคิดแบบเดิมๆอยู่แต่ถ้าเรามีปัญญาพอเราคิดอยากได้นู่นอยากได้นี่ปัญญาก็จะบอกว่าคิดแบบนี้ไม่ดีเลอกคิดจะอยากได้แฟนนีไม่ดีอยากได้เงินได้ทองนี่ไม่ดีอยากไปเที่ยวนี่ไม่ดีอันนี้ต้องมีปัญญาสอนถึงจะรู้ว่าความคิดเหล่านี้ไม่ดีพอรู้ไม่ดีต่อไปก็จะเลิกความคิดเหล่านี้ได้ก็จะเห็นเห็นมีเห็นธรรมขึ้นมา เห็นว่าอันไหนดีอันไหนไม่ดีคำถามจากคุณแพทย์ตอนเช้าก่อนเวลาตื่นนอนดิฉันจะได้ยินเสียงคนพูดก้องอยู่ในหูบางครั้งก็เสียงผู้ชายบางครั้งก็เสียงผู้หญิงจึงทำให้ตื่นอย่างนี้ถือเป็นนิมิตเสียงใช่ไหมคะควรไม่สนใจมันและพูดโททันทีใช่ไหมคะก็ได้ทั้งสองอย่างถ้ามันไม่มารบกวนใจเราเราไม่ไปสนใจมันก็ไม่มีปัญหาอะไรเหมือนเราได้ยินเสียงนอกอย่างนี้เสียงตุ๊กแกเมก่ี้ จริงๆจบมันนองแล้วมันก็ผ่านไปก็ถ้าเราไม่ไปสนใจมันไม่มาทำความให้ใจเราวุ่นวายเราก็ไม่ต้องไปทำอะไรมันแต่ถ้ามันมาทำให้เราวุ่นวายไปกับเสียงนั้นเราก็ต้องดึงใจเรากลับมาอย่าไปสนใจดึงกลับมาหาพุทธโธพุทธโธไป คำ <c oughs> ถามจากคุณพิมพ์สุพัฒ ส, สอน <c oughs> เรียนถามถึงบุญค่ะเวลาเราไปงานบวชแล้วเก็บห่อเหรียญโปรยทานมาไว้เป็นของบูชาเวลาใดหยิบมาดูแล้วนึกถึงบุญนั้นที่เราได้ร่วมทมจิตใจเรายิยังมีความสุขตลอดยังถือว่าได้รับบุญอยู่ตลอดได้ไหมคะแค่ยังมีบุญยังมีความสุขอยู่ก็แสดงว่ามันก็ยังมีอยู่ คำถามจากคุณจัสมินจิตประพัสรเหมือนกับจิตเดิมแท้หรือเปล่าเจ้าคะนั่นแะจิตเดิมแท้มันจะเวลาสงบแล้วมันจะเป็นประพัสอนมันจะสว่างแต่ประพัสร น, นี้มันจะเป็นประพัสอนแบบแบบของพระอนาคามีไม่ใช่แบบของสมาธิถ้าสมาธิมันจะไม่ประพัสอนแต่ถ้าจิตได้สามารถกำจัดกิเลส ข, ขั้นกามหมดไปได้เนี่ยจิตมันจะสว่างสวัยเป็นประพัดสอนขึ้นมา แต่ยังไม่เป็นจิตบริสุทธิ์มันก็ยังเป็นจิตเหมือนกับจิตสมาธิต่างกันตรงที่ว่าสมาธิมันไม่สว่างสวยัยเหมือนกับจิตของภาณาาคามมนี้จะสว่างสวายเป็นประพัิสอนก็ยังเป็นอยู่ในระดับจิตเดิมอยู่คือยังมีกิเลส ท, ที่ละเอียดยังยังไม่ได้ถูกกำจัดไปกำจัดเพียงส่วนที่หยาบคือกิเลส ท, ที่เกี่ยวกับทางล่างกายคือพวกกามอารมณ์ต่าง คำถามจากคุณสุมทรการเผชิญหน้ากับสิ่งที่กลัวถือว่าเป็นการฝึกสติหรือเปล่าครับก็เป็นการฝึกสติแล้วก็เป็นการควบคุมสอนใจให้กําจัดความกลัวคือถ้าเราไม่มีความกลัวเราก็จะไม่ขยันสร้างสติขึ้นมาเพราะเรากลัวเช่นเราไปอยู่ที่ไหนที่กลัวผีเราก็จะสวดมนต์สวดมนต์อย่างเดียวไม่คิดถึงเรื่องที่ทําให้เรากลัวจิต ก, ก็สงบ อันนี้เป็นการบังคับให้เราฝึกสติถ้าเราอยู่ที่ปลอดภัยเราก็จะไม่สวดกันขี้เกียจสวดกันหรือเวลาเครื่องบินไม่ตกนี่ไม่ไม่สวดกันพอเครื่องบินจะตกนี่โอ้โหสวดกันลั่นไปหมดเลยเพราะเพราะถ้าไม่สวดแล้วใจมันสัน่นไงใจมันทรมานเวลามันกลัวก็เลยต้องอาการาอาศัาายการสวดมวนต์เป็นการทําให้ใจหายสัน่นหายกลัว คำถามชัุพัทธาวิชาถ้าเราไปที่ที่น่ากลัวเรามีสติอยู่กับตัวตัดความคิดได้เราจะไม่รู้สึกกลัวใช่ไหมคะอย่างนี้เรียกว่าเราปล่อยวางร่างกายได้หรือยังคะยังเหอกเพียงแต่ว่าเราหยุดความคิดเท่านั้นเองหยุดความคิดที่เกี่ยวกับความกลัวตายได้แต่ถ้าพอเผลอสติไปคิดเมื่อไหร่มันก็ยังกลัวอยู่จะทาให้เราหายกลัวตายต้องเห็นว่าร่างกายเราอยู่ที่ไหนก็ต้องตาย เมื่อถึงเวลาหนีมันไม่พ้นความตายแล้วเรายอมให้มันตายเท่านั้นน่ะต่อไปเราก็จะไม่ไม่กลัวตายต่อไปแสดงว่าเราปล่อยร่างกายได้ต้องปล่อยเพราะเราเห็นด้วยปัญญาว่าร่างกายนี้ยังไงยังไงก็ต้องตายไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเวลาไหนถ้าถึงเวลาที่มันจะตายมันก็ต้องตายเราห้ามมันไม่ได้แล้วเรายอมให้มันตายถ้าอย่างนั้นแล้วมันก็จะหายกลัวแล้วมันก็จะปล่อยวางร่างกายได้ คำถามจากคุณธนวันอยากทราบจริตตัวเองจะได้รู้ว่าจริตตัวเองวาระจิตเราถึงขั้นไหนแล้วครับเช่นพระโสดาบันเราสามารถไปนรกสวรรค์พรมนิพพานได้ไหมครับอย่าเพิ่งไปรู้ถึงขนาดนั้นให้รู้สติตัวเดียวก่อนเนี่ยให้รู้พุโทโธก่อนนะแล้วเดี๋ยวของพวกนี้มันจะรู้เองถึงเวลามันถึงจุดนั้นแล้วมันจะรู้เองพูดไปจนมันตายมันก็เป็นลักษณะแบบสิบปากว่าไม่เท่าหนึ่งตาเห็น พูดไปแล้วเดี๋ยวก็ลืมงั้นมารู้ตัวเดียวก็พอตอนนี้ให้รู้พุทธโธ ร, รู้รู้รู้รู้อะไรอย่างหนึ่งก็ได้ถ้าเดินจงกรมก็ให้รู้เท้าซ้ายขวาซ้ายขวาหรือพุทธโธพุทธโธมาหยุดความคิดให้ได้ก่อนทําจิตให้สงบก่อนแล้วก็ไปทางปัญญาแล้วต่อไปมันจะรู้เองว่าจิตเราอยู่ในระดับไหน คำถามจากคุณอุก ค, ค่ะเวลาเราถูกผู้อื่นเบียดเบียนนอกจากใช้สติพุทโธถ้าจะใช้ปัญญาต้องพิจารณาอย่างไรเจ้าคะก็ค้ดว่าคนอื่นนี่เหมือนกับฝนฟ้าอากาศไงเวลาเราโดนฝนเปียกนี่เราโกรธฝนหรอเปล่าเวลาคนอื่นเขาแกล้งเราโารยนสาดน้ําใส่เราเราเร า, เราไปไปโกรธมันก็มันก็เปียกน้ําเหมือนกันเปียกมันก็เปียกเหมือนกันใช่ไหมเพราะเราไปมองว่าเขาเป็นคนเขาแกล้งเราเราก็เลยโกรธเขา เราอยาไปมองเขาว่าเขาเป็นคนสิเรามองเขาว่าเป็นเป็นฝนฟ้าอากาศเขาสาดน้ำมาให้เราก็เหมือนฝนตกฝนตกเราก็เปียกเขาสาดน้ำมาใส่เราเราก็เปียกเปียกก็เปียกสิเปียกก็ไปเปลี่ยนผ้าใหม่ก็เท่านั้นเองเราก็จะไม่โกรธเขานี่คือการใช้ปัญญาให้เห็นว่าทุกคนไม่ว่าจะเป็นสัตว์ชนิดไหนก็ตามมนุษย์หรือสัตว์หรืออะไรเป็นธรรมชาติหมด เปนเหมือนเดินฟ้าอ า, ากาศฝนฟ้าอากาศงั้นมันมันจะทําให้เราอย่างไงก็คิดว่าเหมือนกับโดนฝนฟ้าอากาศก็แล้วกันแล้วเราจะไม่โกรธเขาคําถามจากคุณเฉลยกับเรียนถามพระอาจารย์ค่ะทําวัดเย็นได้ถึงกี่ทุ่มคะ อ, อ่าแล้วแต่เราเราอยู่ที่ไหนถ้าเราไปอยู่ที่เขาทําเขาก็มีเวลาอย่างที่วัดญา น, นี้หกโมงเขาก็ให้ลงโบสถ์ ทำวัดถึงประมาณ6กโงสี่สิบสี่้าแล้วก็ให้นั่งสมาธิต่อจนถึงประมาณทุ่มครึ่งก็เลิกกันแต่ถ้าเราอยู่ของเราคนเดียวเราจะทำจะสวดยาวแค่ไหนก็สวดได้สวดทั้งคืนก็ได้ถ้าอยากจะสวดว่าะการสวดก็เป็นการฝึกสตินี่เองคำถามจากคุณสูในกรณีเรานั่งสมาธิบางครั้งเรานั่งได้นานจนไม่รู้สึกว่า ไม่มีเราในเราคือตัวเบาแต่มีสติไม่ติดสุขนี่คืออะไรคะก็ไม่รู้แหละถามมันสิเวลานั่งมาถามเราทําไมล่ะคุณเป็นคนนั่งคุณไปเจอมันก็ถามมันสินี่คืออะไรเพราะเราไม่รู้ว่ามันเป็นแบบไหนแบบหลับหรือไม่หลับก็ไม่รู้ฉะนั้นคุณถ้ารู้ว่าคุณไม่หลับก็เป็นสมาธิถ้าหลับก็หลับมันมันเป็นได้สองแบบแบบไม่มีเวลาหลับมันก็ไม่มีตัวตนให้รับรู้ใช่ไหม มันหายหมดเลยวนยเวลาหลับเนี่ยอันนี้ก็ต้องตัวเองต้องเป็นผู้รู้เองเป็นถามคนอื่นไม่ได้หรอกตัวเองต้องรู้ว่าตัวเองมีสติหลับหรือไม่หลับถ้าไม่หลับก็เป็นสมาธิถ้าหลับก็หลับถ้าไม่มีสติก็หลับคำถามจากคุณป้อมลูกขอถามเวลาที่รู้สึกโกรธเรารู้ว่าเราโกรธบอกตัวเองว่ากำลังโกรธอย่างนี้เรียกว่าอะไรคะและเราควรจะทาอย่างไรให้หายเร็ว อ๋อก็ควรจะมองสิ่งที่ทําให้เราโกรธว่ามันเป็นเหมือนดินฟ้าอากาศเหมือนลมพัดเนี่ยลมพัดเนี่ยเวลาเราโดนลมพัดเราไม่โกรธลมเวลาเราได้ยินคนพูดไม่ดีใส่หูเราเรากลับไปโกรธเขาเสียงที่เขาพูดมันก็เป็นลมพัดเหมือนกันแต่เราไม่ไปมองว่ามันเป็นเสียงลมเราไปไปหาว่าเป็นเสียงเขาด่าเราดัางนั้นเราต้องมองทุกอย่างให้เป็นธรรมชาติแล้วเราจะไม่โกรธ ที่ว่าเสียงด่าก็เป็นเสียงลมพัดแล้วเราก็จะไม่โกรธคำถามจากคุณอนุสอ์การสวดมนต์แต่ละบทก็คือการทําสมาธิให้จิตใจสงบแต่อั น, นิสง์ของแต่ละบทไม่เหมือนกันใช่ไหมครับออปชันต่างกันแล้วบทสวดที่ดีที่สุดคือบทไหนครับที่มันต่างกันก็เพราะว่ามันเป็นคําสอนเข้าใจไหมทีนี้ถ้าเราสวดแล้วเราไม่เข้าใจความหมายมันก็เหมือนกันหมด ไม่ว่าจะสวดบทไหนมันก็ได้แค่สมาธิคือความสงบแต่ถ้าเราเข้าใจความหมายเราก็จะได้ปัญญาได้ความรู้เพราะบทที่เราสวดนี้มันก็คือพระสูตรต่างๆที่พระเจ้าได้ทรงแสดงก็คือธรรมเทศนาที่พระเจ้าได้แสดงไว้ธรรมจกักท่านก็แสดงเรื่องมรรคแปดอริยสัจสี่สติปัฏฐานสี่ท่านก็แสดงวิธีเจริญสติวิธีเจริญปัญญาเพราะฉะนั้นถ้าเรา สวดบทที่เราเข้าใจเราก็จะได้ความรู้ด้วยได้สมาธิด้วยแต่ถ้าเราสวดแล้วเราไม่เข้าใจความหมายไม่ว่าจะสวดบทไหนมันก็ได้สมาธิเพียงอย่างเดียวคาถามสกุลอนอมัสจริงหรือไม่ครับที่พระลามะของฝั่งวั ช, วชรยานมีพระโพธิสัตว์ที่กำลังเดินทางหลายชาติพบ เพื่อโปรดสัตว์ในสังสารวัฏอยู่มากจึงมีธรรมเนียมในพระลามะว่าต้องหาตัวเด็กที่เป็นพร้อมในการกลับมาดำรงในตำแหน่งเดิมก็เป็นความเชื่อของเขาอันนี้ก็ต้องไปถามเขาทางเรานี่เราไม่สนใจเราสนใจว่าทำยังไงให้ตัวเราหลุดพ้นก็พอส่วนคนอื่อยเขาจะหลุดไม่หลุดไม่ต้องไปหาให้เสียเวลาทาตัวเราให้หลุดดีกว่า คำถามจากคุณปราณีลูกไปทาบุญวัดป่าวัดบ้านวัดบ้านเทศลูกก็ฟังได้ด้วยนิ่งลูกมีความภูมิใจที่นิ่งขึ้นเยอะเลยไม่มีความหงุดหงิดเลยลูกทำมาถูกทางหรือเปล่าคะโดยไม่ได้ยินดียินร้ายก็ถูกอะถ้าใจไม่ยินดีนยินร้ายใจนิ่งฟังอะไรแล้วก็นิ่งสงบก็ถือว่าใจมีอุเบกขามีสติเนี่คำถามจากคุณอาร์ต เวลาภาวานาแล้วรู้สึกสว่างที่กลางหน้า อ, อกจิตรวมที่กลางหน้า อ, อกร่างกายหายไปหรือเหมือนไม่มีร่างกายนานเป็นชั่วโมงต้องทำอย่างไรต่อครับก็ให้มันเป็นอย่างนั้นนานๆบ่อยๆพยายามกลับเข้าไปนั่งอย่างนั้นนานๆบ่อยๆแล้วเวลาออกจากสมาธิมาดูว่าใจยังนิ่งอย่างนั้นหรือเปล่าพยายามรักษาให้มันนิ่งอย่างนั้นต่อไปให้นานถ้ามันไม่เนิ่งก็ต้องกลับเข้าไปใหม่ เราปฏิบัตินี่เพื่อรักษาให้ใจให้นิ่งเฉยกับเหตุการณ์ต่างๆเอาคำถามสุดท้ายนะ ถ, ถ้ายังมีอยู่ค่ะคำถามสกุลปณนิรัตกลับนวัตสการค่ะพระอาจารย์หากจิตเห็นว่าคือหลงในเวลานั้นจิตไม่อยากได้สิ่งที่เห็นว่าหลงแต่พอเราออกจากสมาธิแล้วทำไมถึงไม่เป็นตอนที่เรารู้ว่าหลงคะไม่เข้าใจความหมายถ้าหลงนะั้นมันไม่รู้หรอ เวลาหลงมันไม่รู้ว่ามันหลงกับใจไะมมันจะมารู้วเมื่อมันมันทุกข์แล้วมันถึงเสียใจว่าอ๋อเราหลงเราหลงผิดเราหลงไปถ้าเราโลภนี่ก็แสดงว่าเราหลงนะถ้าเราโกรธก็แสดงว่าเราหลงน ะ, ะถ้าเราอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ก็แสดงว่าเราหลงน ะ, อ ะ, อะเอาแล้วนะเอาแค่นี้ก่อนนะก็ขอให้ท่านจงนำมาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพิิพิจารณาไปปฏิบัติ